บทที่7ราชสกุลสาวเดินใกล้าปากถ้ำอันเป็นรอยไหมเกรียมโปร่งโลง่งนั้นเข้าไปเป็นลำดับพระพวกด้านหลังรวมทั้งนานอินกระชันชิดไม่กล้าเว้นระยะให้หลอนห่างและยิ่งใกล้เข้ามาร่องรอยของการถูกความร้อนแผดเผาบริเวณโขดหินปากถ้ำก็ยิ่งมองเห็นได้ชัดชั่วไม่กี่อึดใจทั้งหมดก็เข้ามายืนแยกย้ายกันอย่างปราศจากระเบียบอยู่อย่างปากเวงถ้ำนั้น รอยไหม้ไม่ได้มีแต่เฉพาะพื้นหินหรือโขดและผนังสองฝั่งเท่านั้นแต่มันไม่ดำขึ้นไปจนถึงเพดานถ้ำด้วยเมื่อต่างแงนเงยขึ้นไปสำรวจณนะตำแหน่งนี้เสียงที่มีลักษณะเหมือนของเหลวถูกเขี่ยวเดือดปุดๆอยู่ก็ยิ่งแววออกมาจากภายในได้อย่างชัดเจนเสียงมันดังครุบครับสาเนียงพิกลคล้ายโคลนถูกนามาเคี้ยวในกระทะขนาดใหญ่ กลิกรรมฐานยิ่งโชยออกมาสัมผัสคาณ์ประสาทแน่ชัดเกินกว่าที่จะคิดว่าเป็นอุปทานทั้งห้าคนชื่อกันกว่าตาสำรวจบริเวณที่ยืนอยู่รอบกายนั้นอย่างทีท่วนระมัดระวังขีดสุดไอสีเทาๆปนเหลืองระเหยบางๆออกมาจากซอกโครงมืดที่แยกออกไปทุกทิศทางในตำแหน่งที่ลึกเข้าไปจากปากทางเข้านั้นให้ตายเถอะนั่นมปนเสียงเดือดของลาวาชัด ผู้ทาลายความเงียบขึ้นคือชั ย, ยันดารินยืนเอียงคอเมมริฟรีปากคิดขณะที่มองไปทีละตาแหน่งของบริเวณแก่งแง่ขอบหินซึ่งล้วนดำไปหมดเชษ ฐ, ฐาสกิดถามนานอินว่าตอนที่ลุงมุดเข้าไปครั้งกระโ น, น้นเวลาผ่านถ้าเข้าไปเคยได้ยินเสียงแปลกๆอย่างที่เราได้ยินอยู่นี่บ้างไหมซานเท่าศรนาไม่สเบลนะสั่นหัวไม่เคย ตอนที่หนานอินมุดถ้ำนี้คราวกันโน้นมันไม่มีเสียงเหมือนใครมาเคี่ยวกลัมแมอย่างที่เราได้ยินอยู่นี่เลยแล้วก็ไม่ร้อนแทบดับจิตเหมือนตอนนี้ด้วยมันแค่อา้าวๆผิดไปกว่าถ้ำอื่นไปบ้างเท่านั้นตลอดเส้นทางในถ้ำพบเห็นสัตว์อะไรบ้างไหมงูมแมลงมุมค้างคาวหรือสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆอนุชาถามขึ้นบ้าง นานอินคงสานสิสะอยู่เช่นนั้นไม่มีอะไรที่มันมีชีวิตให้นานอินพบเห็นเลยตลอดเส้นทางในถ้ำหน้าคราชนี้เส้นทางเดินยากไหมมีเหวอยู่ข้างในบ้างหรือเปล่าอดีตรานชดถามต่อไปก็แก้พยายามทบทวนความจำมีหลุมลึกหรือไม่ก็เหวเป็นบางตอนนะนายชด หลายครั้งที่หนานอินต้องค่อยๆไต่เลียบเลี่ยงเหวในถ้ำไปแต่ก็ไม่มากนะตอนนั้นใช้แสงใต้สองทางบางระยะก็สว่างพอจะมองเห็นได้จากรอยแตกของผนังมีแสงสว่างรอดเข้ามาจะเป็นแสงสว่างหรือแสงอะไรหนานอินไม่รู้อนันชาหันประทางพี่ชายกับเพื่อนกล่าวแผ่วต่ำว่าเสียดายที่เราไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญทางธรณีวิทยาอย่างเมยมาด้วยในครั้งนี้ ไม่งั้นเราจะสันนิษฐานอะไรได้มากกว่าที่พวกเรากำลังพยายามคิดอยู่นี่แต่จะอย่างไรก็ตามจากสภาพที่เห็นมันไม่ผิดไปจากที่ทา ย, ยาทว่าตะกี้รอครักเสียงเดือดเป็นจังหวะช้าๆที่เราได้ยินน่าจะเป็นเสียงหินล้อมละลายของลาวาไม่ก็โคลนที่อยู่ลึกเข้าไปสมัยก่อนนั้นที่ลุงอินเดินผ่านเข้าไปนั้นมันยังไม่เกิดความร้อนขึ้นถึงขนาดนี้ แกจึงบอกว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรแต่ระยะเวลามันผ่านมานานแล้วความระอุจากต้าีิพกหรือมิเช่นนั้นก็ภายในส่วนใดส่วนหนึ่งของโครง่าำนี่แหละอันเป็นตำแหน่งที่ยวเดือดของมันแล้วชายันบุ้ยปากไปรอบๆตัวแล้วชี้ไปยังบริเวณป่าเทาวันที่มอดไหม้เห็นจุดอยู่เบื้องนอกรอยเผาไหม้ขนาดใหญ่ที่เราเห็นอยู่นี่ละ่ะเป็นไปได้ไหมที่ว่า ลาวาบางส่วนเกิดความร้อนขึ้นเต็มที่ก็เลยทําให้ป่าท่ามและปา่าเถาวันใกล้เคียงไหม้ไปหมดทุกคนล้วนเต็มไปด้วยปริศนาที่พยายามตีความดารินผู้สงบพินิจดูนิ่งอยู่เอ่ยขึ้นเป็นประโยคแรกนับตั้งแต่มายืนอยู่ณที่นี้ว่าตามความคิดของน้อยเข้าใจว่าเสียงลั่นเหมือนของเหลวเดือที่เราได้ยินอยู่นิ่ง น่าจะเป็นเพียงแค่โครนเดือดใชมากกว่าที่จะเป็นลาวาเพราะถ้าลาวาเราจะไม่สามารถเข้ามายืนกันอยู่ตรงปากถ้ำนี้ได้เลยแม้มันจะยังไม่ทะลักไหลบ่าออกมาก็ตามและมันก็ยังไม่ได้ไหลออกมาเพราะไม่มีร่องรอยเลยส่นรอยไหม้เกรียมทั้งปากถ้ำและปา่ะปาเถาวันหน้าถ้ำน่าจะเป็นจากการแผดรังสีในตัวเองของสิ่งประหลาดที่เราตั้งสมมุติฐานกันว่างูไฟ หรือนาคีจะมากกว่าคือก่อนที่จะเลื้อยเข้าไปในถ้ำอันเป็นถิ่นของตนก็ปล่อยตอมเคมีอันร้อนแรงออกจากตัวเต็มที่เลยทำให้บริเวณที่นี้มีรอยลุกไหม้ดำเกรียมมากกว่ารอยที่เห็นเป็นทางเลื้อยมานดาหญิงน่าจะเดาถูกนานอินสอดขึ้นในทันทีเพราะนานอินก็กำลังคิดอยู่อย่างนั้นเหมือนกันเพียงแต่ยังไม่กล้าพูดเท่านั้น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 เทถาควักเอาเครื่องวัดอุณหภูมิของอากาศขนาดกระเป๋าที่ติดตัวอยู่ออกมาตรวจดูเพื่อหาอุณหภูมิของบริเวณที่สำรวจกันอยู่แล้วสกิดให้ชายยันดูเข็มวัดอุณหภูมิขึ้นชี้บอกถึง65องศาสีและเมื่อยิ่งก้าวลึกจากปากถ้ำเข้าไปเท่าไหร่มาตรวัดก็ค่อยๆกระดิกสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ขนานั้นเองดารินผู้เดินผ่านหนอหินขนาดใหญ่ริมผนังด้านขวาก็อุทานอะไรออกมาคําหนึ่งทุกคนหันขวามไปทันทีเห็นหล่อนกําลังจ้องอะไรอยู่ในลักษณะตะลึงระยะนั้นมันยังมีแสงสว่างจากเบื้องนอกสาดเข้ามาถึงพอจะเห็นได้ขนาดพอสมควรเพราะยังไม่เข้าไปลึกนะักทุกคนจึงกรู ก, กันเข้าไปทันทีแล้วต่างอุทานออกมาเป็นเสียงเดียวว่าเฮ้ยอะไรกันนี่ มถ้าไม่สังเกตให้ดีมันก็เหมือนท่อนถินที่ถูกไฟลนไว้จนดำเป็นตอตะโกยางที่เห็นอยู่รอบๆทั่วไปนั่นแหละแต่เมื่อพินิจจึงมองเห็นสันฐานเขาโครงเหมือนร่างกายมนุษย์หรือมิฉะนั้นก็ครั้งหนึ่งเคยเป็นโครงร่างของมนุษย์นั่งเหยียดเท้าพิงหินอยู่แม้จะถูกความร้อนแผดเผาจนกลายเป็นถ่านก็ยังพอสังเกตเห็นไดาจากลักษณะรูปร่างขนาดของมันสูงใหญ่มากทีเดียว ในท่าที่นั่งเป็นฐานดำปีอยู่นั้นอย่างน้อยๆก็เกือบเจ็ดฟุตคนถูกไฟเผาอยู่ในนี้ชัยยันร้องขึ้นอย่างลืมตัวท่ามกลางคนอื่นๆที่จ้องตะลึงไปชั่วขณะสิ่งแรกที่ทุกคนคิดเหมือนกันหมดก็คือใครจาสันฐานที่ดูเหมือนมนุษย์อันดำปีเป็นต่อถูกไฟลนอยู่แบบนี้และวูบคิดไปถึงคณะของรพินผู้ล่วงหน้ามาก่อน แค่ดารินพินิษ ด, ดูในความรู้สึกแตกแยกไปอีกอย่างหนึ่งหล่อนขอดาบที่สะพายหลังนั้นอินมาถือไว้ในมือทันทีแล้วค่อยๆเคียดูที่บริเวณสีสันดำเหมือนฐานนั้นมันเปราะหักตกจากตำแหน่งที่ตั้งอยู่บนบ่ากลิ้งลงกับพื้นทันทีหล่อนกัดริมฝีปากแน่นใช้ดาบเคียดขูดและสับหาหลักฐานต่อไป แม้กระทั่งกระโหลกใหญ่โตขนาดเกือบเท่ากระบุงย่อมๆก็สลายตัวเป็นขี้เท่าไปอย่างง่ายได้เพียงแต่อนใช้ปลายดาบแสะเท่านั้นและความรู้ในด้านมนุษยวิทยาของหลอนก็ให้ประโยชน์ต่อการสันนิษฐานได้ทันทีโดยบอกทุกคนตามๆว่ามันไม่ใช่มนุษย์เป็นๆที่เพิ่งตายและไม่ใช่คณะของราพินด้วยแต่เป็นซากมัมมี่บริวารของมันไตรที่เราเคยพบเห็นมาแล้วนั่นเอง หมายความว่ายังไงถ้านี้เป็นป่าช้าของนิทรานครงั้นหรือช่ ย, ยานผู้เคยเข้าไปหลงติดอยู่ในสุสานของนิทรานครอันเต็มไปด้วยซากมัมมี่นับอายุไม่ได้มาก่อนแล้วในครั้งก่อนนั้นถามมาโดยเร็วดารินสันซิษะที่นี่ไม่ใช่ป่าชา้าหรือแหล่งที่เคยเก็บศพของนิทรานครอย่างที่เราเคยพบกันมาแล้วแน่นอน แต่สาเหตุที่มีไอ้ผีดิบมานั่งเป็นฐานอยู่อย่างที่เราเห็นนี่เข้าใจว่าซากมา ม, มีนี้ได้เคลื่อนย้ายมาจากที่อื่นและนํามาแอบซุกซ่อนอยู่ตรงนี้เพื่อเตรียมแผนกา ร, รอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นที่มันไปขนกันออกมาจากสุสานแล้วแอบซ่อนกระจัดกระจายไว้ทั่วแนวป่าพร้อมที่จะมีเวทมนตลีของมันตรายเข้าสิงบงการให้เคลื่อนไหวทําอะไรเหมือนหุ่นยนต์แต่บังเอิญหรือเกิน นี่เป็นการฆ่ากระลของฉันนะบางเอิญที่มันนำซากมาแอบซ่อนไว้ตรงนี้โดยยังไม่เคลื่อนไหวไปไหนก่อนพอดีกับที่ตัวประหลาดนั้นเลื้อยผ่านเข้ามาในปากถ้ำรังสีความร้อนจากตัวประหลาดนั่นเลยแผดเผาทำลายซากนี้กลายเป็นเท่าถ่านไปและแน่ละ่ะซากนี้สูญเสียไปแล้วใช้การอะไรไม่ได้อีกเพราะถูกความร้อนทาลาย นายจะคิดอย่างไรฉันไม่รู้แต่ฉันสนิษฐานเช่นนี้ทุกคนอึ้งไปได้วยความอัศจรรย์ใจที่แทรกซ้อนขึ้นมาอึดใจหนึ่งเชษฐาก็ครางออกมาเบาวๆว่าน่าคิดถ้างั้นลองช่วยกันตรวจดูให้ดีต่อไปสิมันอาจไม่ได้มีตัวเดียวอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่ทั้งหมดแยกกันออกค้นหาอีกครั้งแล้วความจริงก็ปรากฏน่าจะตรงกับข้อสนิษฐานของดารินมากที่สุด พรานารีนพบอีกซากหนึ่งและอนุชากับชัยยันก็พบอีกซากหนึ่งรวมเป็นสามซากนั่งเป็นฐานอยู่ตามซอกมุมรับตาในบริเวณปากถ้านั่นเองผนปรากฏเหมือนกันหมดทุกซากอันเป็นไอ้พวกผีดิบบริวารมันตรัยเหล่านั้นกลายเป็นท่อนฐานไปหมดด้วยไอยความร้อนระดับสูงเชษฐารีบอยทุกคนถอยออกมาพ้นบริเวณปากถ้าโดยเร็วแล้เมายืนจับกลุ่มรวมกันอีกครั้ง ไอ้สรากผีดิบของมันตรายเหล่านั้นตามปกติแล้วมันมีความแกร่งเหนียวแน่นคงทนราวกับเงาไม้หรือมิใช่นั้นก็ยางรถแทรกเตอร์ตามที่เราพิสูจน์กับมันแล้วขนาดจะเอาไฟเผาก็ยากที่จะไหม้ได้แต่พอถูกไอความร้อนลึกลับของตัวที่มันเลื้อยเข้าไปในถ้ำเท่านั้นกลายเป็นถ่านไปหมดเลยพี่ว่าน้อยน่าจะสันนิษฐานได้ใกล้เคียงความจริงที่สุดแล้วมันตรายกระจายพล วางกำลังของมันซุ่มซ่อนไว้ตามที่ต่างๆสุดแต่ว่ามันจะสะดวกใช้อำนาจลี้ลับแบบเคลื่อนวิทยุเข้ามาบงการให้เคลื่อนไหวใช้งานอย่างใดแต่บังเอิญว่าขณะที่มันนำมาซุกซ่อนไว้ที่นี่อาจเตรียมเล่นงานคณะของระพินหรือคณะฝ่ายเราก็ตามพอดีงูไยหรือพยานหน้าของน้อยเลือ้อยผ่านปากถ้เข้ามาเสียก่อนซากเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นทานไป เพราะอำนาจความร้อนที่เหนือกว่าความทนทานของซากพวกนี้จะต่อต้านได้อนุชาและชัยยานพยายามคิดค้นหาข้อสมมุติฐานให้เป็นไปอย่างอื่นๆแต่ก็หมดทางที่จะโต้แยง้งได้แต่ยืนนิ่งขึงขึ้นไปหมดเจ้ายังไงกันต่อไปนี่ลุงอินหนทางที่ลุงนำมามันกลายเป็นเส้นทางตายเสยแล้วถ้าเราจะเสี่ยงเดินเข้าไปตามที่ตั้งใจไว้แต่แรก หรือลุงคิดว่าเราจะพอเสี่ยงเข้าไปได้ใครจะเข้าไปก็เชิญเถอะสำหรับฉันขอถอยก่อนละ่ะก็เห็นกันอยู่อ่อชัดชัดแบบนี้แล้วยังคิดมุดเข้าไปอีกหรือดารินเอ่ยขึ้นเชษฐาและชายยันก็ไม่ยอมเห็นด้วยกับคาพูดของอนุชาและถึงแม้นานอินเองก็คอตกพึมพำแห่แผว่าไม่พรานชดสมัยก่อนนี้นานอินก็พอที่จะนาทางเข้าไปในถ้ำนี้ได้อยู่หรอ แต่ที่เราเห็นกันอยู่นี่คืนดันทุรีงเข้าไปก็ตายกันหมดเท่านั้นเพราะเท่ากับเข้าไปใ น, นรกไฟชัดๆเส้นทางเดินโดยการนำของนานอินชะ ง, งักลงเสียแล้วในอุปสรรคที่ข้าคิดไปไม่ถึงพอจะมีเส้นทางอื่นเลี่ยงไปได้อีกบ้างไหมนอกจากจะมุดลอดใต้ถ้านี้เข้าไปเชษฐาถามอย่างหนักใจปลายหน้ามาทางนี้นานอินก็หวังที่จะลอดถ้านี้เข้าไปนั่นแหละ ถ้าไม่เข้าทางนี้ก็โจนปัญญาแล้วเพราะเส้นทางอื่นนันอินไม่รู้นอกจากจะดาวเอาพรานครูผู้เฒ่าสารภาพตามตรงหน้าจ๋อยลงไปเห็นชัดว่ายุ่งละสิชายยันร้องออกมาขณะนั้นเองระหว่างที่ทุกคนตกอยู่ในห่วงพวาคิดหนะักตางก็ผวารู้สึกตัวขึ้นเพราะเสียงเจ้าด้วนที่ร้องแว๊ดดังลั่นขึ้นตังหันขวาไปทางมันเป็นตาเดียว และดารินก็ดูเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้นในบัดนั้นคราวนี้แหละมันจะได้พิสูจน์ชักกันเสีทีว่าเจ้าด้วนมันจะช่วยเราในการเดินทางครั้งนี้ได้แค่ไหนลุงอินและพี่กลางยอมรับแล้วว่าหมดปัญญาก็ขอให้ฉันลองเสี่ยงทายเอากับเจ้าด้วนบ้างเพราะมันไม่มีทางเลือกอย่างอื่นอีกแล้วกล่าวจบหล่อนก็เดินตรงเข้าไปยังช้างป่าแสนรู้คู่บารมีทันทีพี่ชายและเพื่อนเดินตามเข้าไปด้วย ลอนเข้ามาหยุดยืนประจันหน้ากับเจ้าด้วนประกาศออกมาดังๆว่าด้วนพวกเราหมดทางที่จะผ่านเข้าถ้ำหน้าครา่าตามที่หวังไว้แต่แรกเสียแล้วจากสิ่งที่เห็นอยู่นี่และเธอก็รู้ล่วงหน้าถึงได้มาขวางดักอยู่เอาละ่ะมีทางไหนบ้างไหมที่จะทำให้พวกเราทั้งหมดตัดผ่านภูเขาอินซีอันเต็มไปด้วยอันตรายนี้ไปได้ในระยะทางที่ปลอดภัย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 และเมื่อเดินไปได้ประมาณสัก7 8็ถึงก้าก็หันกลับมามองหล่อนอีกครั้งเหมือนจะเป็นอาการบอกให้ตามมาว่ายังไงคะพี่กลางลุงอินเราจะตามเจ้าด้วนไปหรือว่าจะสแสวงหาทางเอาเองหล่อนหันไปถามพี่ชายกลางกับพรานเท่าเพราะคนที่จะขัดขวางหล่อนมากที่สุดก็มีอยู่เพียงแค่สองคนนี้เท่านั้นอนุชา ย, ยิ้มกร่อย หันไปทางพรานชราคู่ชีพแกก็พยักหน้าลงอย่างยอมจำนนไม่มีทางเลือกอีกแล้วในชดเราเห็นจะต้องทำตามที่นายหญิงว่าเสแล้วนั้นอินจนปัญญาจริงๆเพราะทางที่คิดจะนำเข้าไปก็เข้าไปไม่ได้เสแล้วอดีตพรานชดเข้ามาตบไหล่น้องสาวโดยแรงเอาละ่ะพี่และลุงอินจะลองเชื่อน้อยดูบ้างแล้วก็หันไปร้องบอกพักพวกทุกคนรวมทั้งลูกหาบที่รอคอยการตัดสินใจ ประกาศดังๆว่าไปทุกคนเดินตามไอ้ด้วนไปดูซิว่ามันจะพาเราไปทางไหนขบวนทั้งหมดเริ่มเคลื่อนตามหลังการเดินนําอย่างช้าๆของเจ้าด้วนไปในทันทีโดยเลี่ยงจากปากถ้าหน้าคราชไปเสียเชษฐาเคียงประกบไปกับน้องสาวคนเล็กโอบแขนกอดคอไว้น้อยในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามอย่างที่น้อยพูดไว้นั่นแหละ เดี๋ยวนี้พี่เชื่อแล้วว่าเจ้าด่วนมันจะต้องนำทางเราไปได้นแน่ๆและตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการน้อยบอกไว้ทุกอย่างก็ไม่ผิดไปเลยมันร่วงขบวนกับเราเข้ามาในนรกดําอย่างที่น้อยบอกไว้ทุกอย่างอย่าพาไปป่าช้าช้างหรือพาวกไปโผล่ออกนองน้ําแห้งก็แล้วกันเสียงชายยันพูดเบาๆปนหัวเราะ มันคงไม่พากลับหนองน้ำแห้งโดยไม่มีระพินหรือพาไปป่าช้าช้างอย่างที่เธอว่าร้อชายันแต่ถ้าเป็นป่าช้าผีดิบหรือสุสานของนิทรานครยังไม่แน่เพราะฉันพยายามภาวนาส่งกระแสจิตบอกมันแล้วให้นำไปยังจุดนั้นก่อนดารินบอกมาแผ่วเบาในความคิดหนะักสุสานนิทรานครชายันทวนคาจะให้มันพาไปทาไมที่นั่น ถ้าเรายังทำลายมันตรายยังไม่ได้เราไม่มีทางจะพบคณะของระพินทร์หอกหนทางเดียวที่เราจะทำลายมันตรายให้ได้อีกครั้งก็คือให้มันพาเราไปที่สุสานนิทรานครเป็นแห่งแรกเพราะมันตรายกับพวกผีดิบของมันที่ขนกันออกมาจากสุสานนิทรานครเป็นอันตรายที่สุดสำหรับฝ่ายเราและฝ่ายระพินทร์ถึงระพินทร์เองก็เหมือนกันฉันแน่ใจว่า ก่อนอื่นเขาคงจะมุ่งหน้าค้นหานิทรานกรในอดีตที่เราพบกันมาแล้วเพื่อหาทางกําจัดมันตรัยก่อนจะคืบหน้าไปที่อื่นอะไรทําให้เธอแน่ใจอย่างนั้นเพื่อนชายถามอย่างสงสัยบอกไม่ถูกแต่ฉันแน่ใจอย่างนั้นก็แล้วกันระยะ น, นี้ระหว่างเรากับประพินอาจมีการคล้ายเคลื่อกันนิดหน่อยเท่านั้นเขาบ่ายหน้าไปทางหนึ่งเราก็บ่ายหน้าไปทางหนึ่งแต่เชื่อเธอว่า จุดหมายแรกนับตั้งแต่อ่อนจากคั้วเสือร้องคงเป็นจุดหมายเดียวกันคือนิทรานครอันอาถันรับผินต้องตระหนักดีว่าคณะของเขาจะรอดปลอดภัยเดินทางคืบหน้าต่อไปได้เขาต้องกำจัดมันไตรให้ได้ก่อนถึงฉันจะไม่ใช่แงซายแต่ในข้อนี้ฉันเชื่อว่าฉันอ่านแนวความคิดของเขาออกเพราะไอ้ผีร้ายหมื่นปีตนนั้นมันกาลังจองล้างจองผลาญเขาอยู่ทุกระยะจากหลักฐานที่เราค้นพบมาตลอด มันจ้องเล่นงานจองเวรทั้งฝ่ายเขาและฝ่ายเรานั่นแหละแล้วสังหาหรืองูไฟนั่นฉันไม่คิดว่าสิ่งนั้นจะเป็นอันตรายต่อเราหรือระพินรอตรงกันข้ามถ้าเรารู้เคล็ดอะไรเส้นหน่อยและปฏิบัติตัวให้ถูกเขาอาจเป็นคุณต่อเราก็ได้สังเกตดูจากซาก ข, ของไอ้พวกศัตรูของเราที่ถูกเผามอดไหม้เป็นถ่านไปเหล่านั้น ทั้งสองพูดกันเองเบาๆตาลำพังสองต่อสองโดยคนอื่นไม่ได้ยินด้วยช้างใหญ่อันกลายเป็นเพื่อนคู่ชีพของดารินเริ่มเดินนำไปเรื่อยๆตามแนวโคตหินที่มีระดับสูงขึ้นไปเป็นลำดับแต่หนทางไม่ลาชันเกินไปนะการเดินของมันไม่ทิ้งห่างฝ่ายมนุษย์ที่ยกขบวนติดตามมาเบื้องหลังมีอาการสอชัดว่าพัานฝีเท้าการเดินของมันเพื่อให้สังเกตเห็นอยู่ตลอดเวลา ขณะดเดียวกันก็ปล่อยให้กระดิ่งที่ผูกคอดังอยู่แว่วมาให้ได้ยินเป็นระยะหนทางนั้นเดินไม่ยากโดยผ่านไปในระหว่างแก่งแง่โคดผาศิลาลายไปตามลำดับไม่มีต้นมาให้เห็นเลยสักต้นนอกจากหินและหินเท่านั้นบางขณะก็บ่ายหน้าลงต่ำสลับกันอยู่หลอนแล้วหลอนเล่าสิงสร์ จ, จตุระบาดหรือแม้แต่นกสักตัวก็มองไม่เห็น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 จากอาการหลับสนิทเป็นตายและในความฝันปกวนชนิดจับต้นชนปลายไม่ถูกจอ ม, มักคุเทศระพินไพรวันเริ่มกลับฟื้นคืนสติรู้สึกตัวขึ้นทีละน้อยเซลล์ในสมองก็เริ่มทำงานรับต่อกันเป็นช่วงๆลมหายใจยังมีชีวิตยังอยู่แต่พลังวังชามันอ่อนเปรียยไปหมดม่านตา ย, ยังปิด แต่ก็สัมผัสได้กับแสงสว่างที่กระทบกับเปลือกตาขณะนี้มันจะต้องเป็นเวลากลางวันแน่ๆแต่จะเป็นเวลาสักเท่าไหร่ไม่ทราบได้นี่เขาถูกยาสะกดให้นอนหลับติดต่อ ก, กันไปเป็นระยะเวลายาวนานสักเท่าไหร่ตลอดทั้งคืนล่วงเลยมาจะถึงเวลากลางวันทีเดียวหรือจะว่าเป็นช่วงของเวลาเช้าหรือเพียงแค่สายก็ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น เพราะความกระจ่างเจ้าของแสงที่กระทบหนังตาพอจะบอกได้ชัดสงบนิ่งอยู่ในลักษณะเดิมแล้วก็เริ่มใช้สัมผัสต่างๆรู้สึกว่าตนเองน่าจะยังนอนง่ายนิ่งอยู่ที่เดิมโซดแววเสียงการเคลื่อนไหวยอยู่รอบๆตัวทั้งใกล้และไกลออกไปในลักษณะปกติธรรมดาของการวางแคมป์เป็นเสียงของพวกลูกหาบบ้างรานคู่ใจของเขาบ้าง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 มันน่าจะเลยที่ยงวันมาแล้วนี่เขาหลับจากกลางคืนล่วงเลยมาจะถึงเวลาต้นๆของตอนบ่ายทีเดียวหรือและมันเป็นบ่ายของวันไหนวันรุ่งขึ้นหรือว่าหลับสลบเลยเถิดข้ามไปอีกวันหนึ่งสังเกตไปที่เสาที่แขวนน้าเกลือพบว่ามันยังเหลืออยู่อีกครึ่งหนึ่งและกําลังเดินเข้าสู่เส้นเลือดของเขาแต่ในครั้งนี้เปลี่ยนมายังแขนอีกข้างหนึ่ง ระพินขมวดคิ้วคิดถ้าเป็นน้ำเกลือถุงเดิมขนาด 500cc ซึ่งให้เขาในตอนกลางคืนมันก็น่าจะหมดสิ้นไปแล้วตั้งแต่6โมงเช้าหรือใกล้รุ่งแล้วแต่นี่มันยังเหลืออยู่อีกตั้งครึ่งซ้ำยังเปลี่ยนตำแหน่งแทงเข้าเส้นเลือดมันก็แปลชัดว่าถุงเก่าหมดไปแล้วและที่กำลังแขวนหยดช้าๆอยู่นี้มันเป็นถุงใหม่แล้วตายละ ว, ว่า นี่เป็นการนอนเจ็บครั้งยิ่งใหญ่ของเขาทีเดียวนับตแต่เดินป่ามาโดยขณะที่กําลังอยู่ในป่านอกเหนือไปจากการเจ็บป่วยอันนอนอยู่ในบ้านพักหรือโรงพยาบาลเขาไม่เคยพักเครื่องนานถึงขนาดนี้มาก่อนยามบุกไรจากม่านตาที่รีและกําลังจะกวาดดูไปรอบๆตัวเขาเห็นใครสองคนในกลุ่มของพวกนายจ้างเดินตรงเข้ามาจึงปิดตาลงเสียตามเดิม ทำเป็นนอนนิ่งอยู่ในลักษณะ น, นั้นรู้สึกว่าทั้งสองเข้ามาคุกเข่าขนาบข้างอยู่คนละด้านอกเสื้อถูกปลดดูมออกอีกครั้งและมีหูฟังมากดที่บริเวณสวงอกจากตำแหน่งหัวใจและไล่ลงไปจนถึงลิ้นปีแล้วเครื่องฟังนั้นก็ถูกถอนออกไปเป็นยังไงบ้างเบลเสเซงพูดแผ่วเบานั้นจำได้แน่นอนว่าเป็นดตอร์สแตนลีย์อันอยู่ซีขวาของเขา หัวใจเต้นสม่ำเสมอเป็นปกติดีแล้วค่ะอาการไข้ก็ไม่มีเข้าใจว่าอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงคงจะรู้สึกตัวสซยานอนหลับเข้าไปอีกหรือเปล่าในน้ำเกลือถุงหลังนี่ไม่เพราะให้ไว้เต็มที่แล้วในถุงแรกเขาถึงได้หมดความรู้สึกมาตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงบ่ายโมงนี่ที่ประจรข้อมือข้างหนึ่งของเขาถูกจับชั่วอึดใจแล้วก็มีเสียงเบาๆเรียบๆของหมอเบลว่า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 คริสไม่ได้นอนทั้งคืนคอยเฝ้าเขาอยู่จนกระทั่งเช้าน้ำเกลือหมดและเปลี่ยนใหม่เพิ่มเติมเข้าไปอีกคริสถึงไปนอนพักเมื่อพวกเราทุกคนตื่นหมดแล้วมีเสียงถอนหายใจเฮือกตามปกติถ้าไม่ใช่โรคจับสันเก่าที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวระยะสั้นๆแล้วเขาเป็นคนแข็งแรงมากมาคราวนี้ดูท่าเขาจะแย่อาทีเดียวนี่ก็บ่ายแล้ว ตลอดครึ่งวันนี้จนกระทั่งคืนนี้อีกคืนเขาเห็นจะต้องนอนแบบคนป่วยอยู่นี่เองกระมังเราต้องให้เขาพักอย่างเต็มที่จนแน่ใจที่สุดซะก่อนค่ะถึงอย่างไรก็อีกคืนหนึ่งแน่ๆกว่าที่เขาจะฟื้นตัวขึ้นมาอะไรมันก็ไม่สำคัญเท่ากับเลือดที่ไม่ส่งขึ้นไปเลี้ยงสมองในทัศนแพทย์เธอคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกไหม มันขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของเขาเองเป็นข้อใหญ่ถ้าเขามีความปลอดโปร่งสบายใจไม่มีกังวลมันก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าที่ฉันสังเกตดูการเหนื่อยยากทางกายคนๆ น, นี้ก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเหนื่อยยากทางใจกลัดกลุ้มกระวนกระวายเมื่อไรมันก็อาจเกิดขึ้นได้อีกเมื่อคืนนี้ก่อนที่คริสจะมาเปลี่ยนเวรดูแลเขาฉันสอบประวัติในทางสุขภาพของเขาไว้ได้หมดแล้ว นี่เป็นอาการของอิสเคมียครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับเขาเธอได้อะไรมากไหมจากการสอบปากคำขณะที่ถูกอำนาจยาสะกดก็พอสมควรทีเดียวค่ะสรุปก็คือเขากลัดกลุ่มกระวนกระวายเกี่ยวกับการพลัดพรากจากคนรักใช่ไหมยน่นคือข้อใหญ่ทีเดียวค่ะคนคนนี้ไม่ได้เป็นทุกข์กังวลอะไรเลยนอกจากคิดถึงคู่รักอย่างเดียวเท่านั้น แต่เขาเป็นคนปากแข็งที่จะไม่ยอมรับออกมาตรงๆนะเสียงเบลชะ ง, งักไปนิดหนึ่งแล้วบอกเบาๆต่อมาว่าอาจารย์ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะอาการของเขาดีขึ้นตาลำดับแล้วฉันกลับสงสารคริสมากกว่าคริสทำไมเป็นเสียงสูงอย่างช ง, งนเขารับภาระาหนักกว่าฉันซึ่งเป็นหมอโดยตรงเส อ, อีกเมื่อคืนที่แล้วขณะที่รพินไม่รู้สึกตัวและเพอ คริสพยาบาลเขาสุดความสามารถอยู่คนเดียวไม่ยอมไปปลุกเรียกฉันหรือพวกเราคนใดให้มาช่วยด้วยและในที่สุดตัวเองก็ไปนอนท้มจับไขยอยู่อย่างที่เราเห็นนั่นคริสพักผ่อนไม่พอและทุ่มแรงกายแรงใจช่วยมัก์คุเท ค, คนนี้สุดหัวใจเลยโชคดีที่เขามีความรู้ในทางแพทย์ไม่น้อยกว่าฉันถึงได้เอาไว้อยู่คริสไม่ยอมบอกอะไรฉันเลยแต่บุญคาเป็นคนล่าฉันฟังว่าเมื่อคือนตอนดึก ระพินคลุ้มคลั่งไม่ได้สติอย่างไรบ้างตอนนั้นพวกเราทุกคนหลับกันหมดถ้างั้นคืนนี้เธอต้องดูแลระพินแทนคริสแล้วล่ะเลือกเอาใครคนใดคนหนึ่งในพวกเรามาเป็นลูกมือคอยช่วยด้วยอาจเป็นฉันคีดหรือเชิร์ดวุฒก็ได้ว่าแต่เธอจะทำอย่างไรต่อไปสำหรับเดี๋ยวนี้รออีกสักครึ่งชั่วโมงถ้าเขายังไม่รู้สึกตัวฉันจะปลุกเขาเองตอนนี้ให้เขาพักไปเรื่อยๆก่อน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 ชือขนาดจิตเดียวที่โอมอ่านอัตทาค า, าถาอัญเชิญหน้าคเทวีโดยอาการเหมือนจกสะกดจิตตนเองให้จมดิ่งลงไปสู่ภวังลึกตัดโลกแห่งภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมรอบตนเองขณะนี้ออกไปหมดสิน้นเขาก็แลเห็นจากมโนทวานอันมนุษย์อื่นใดไม่อาจจะมองเห็นได้ด้วยสตรีสาวผู้มีชวีกายแดงเรือประดุดสีหม้อใหม่ มีหน้าคราดเพชรสองเสียนเป็นมงกุฎในเครื่องทนิมพิมพ์พาพรเยี่ยงนางกษัตริย์ในบาดาลดังภาพวาดในจินตนาการของจิตกรก็มาปรากฏกายยืนเด่นอยู่บนโขดหินเตี้ยๆใกล้ซีกกายด้านขวาของเขาไม่ห่างออกไปนักนางแย้มยืนริมโอดรูปงามกอนทั้งสองกอดอุราไว้เอียงสอน้อยๆทอดเนตรเป็นประกายวาววับ จับมาที่เขาขันขันระคนสังเวชแต่ก็เปี่ยมไปด้วยประกายแห่งความเอ็นดูเรียกราวทำไมพรานเสียงสายกังวานนั้นปราายในทันทีที่ปรากฏตนมหาเทวีได้โปรดประทานความเมตตาให้แก่ข้าพระองค์ผู้ตกอยู่ในภาวะทุกข์ยากขณะนี้ด้วยเถิดจะขอเพียงครั้งเดียวแล้วจะไม่ร้องขออีกแล้วนี่คือสัจจะ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 และเป็นเจตนาโดยตรงที่จะขอรับจากใต้ฝ่าพระบาทเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพราะเทพยพยดาฟ้าดินองค์ใดๆก็เมินพรานอนาถาผู้ยากไรคนนี้เสียสิ้นแล้วไม่มีเทพองค์ใดจะให้ความเมตตาต่อข้าเท่าราชธิดาแห่งหนาคราชองค์นี้โอสีแดงเพลิงคู่นั้นแย้มกว้างออกไปอีกอย่างเท่าทันจนเห็นไรทนปานเคลือบมุกมีเขี้ยวเล็กๆงามเก๋โปรแซมอยู่สองซี่ เข้าใจยกยอปอปั้นตีประจบเก่งมากนะเรานะักเอาละ่ะคุณจะขออะไรฉันระพินประโยคหลังนางพูดมาอย่าสนิทสนมที่สุดเหมือนผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่กำลังพูดอยู่กับเขาข้าพระองค์เจ็บป่วยลงในครั้งนี้หนักนกะพลักระกำลังสูญหายไปสิน้นจะตายก็ยังไม่ตายเพราะยังไม่สิ้นกรรมจะหายก็ยังไม่หาย เพราะโรคาพยาธิยังไม่ยอมถอนตัวออกโดยง่ายคืนปล่อยตามเวรตามกรรมอยู่เช่นนี้ก็จะเป็นที่ทุเรศเวทนานักอย่าอ้อมค้อมบอกมาง่ายๆตรงๆดีกว่าจะเอาอะไรนางตัดบทมาทันควันยังปลายยิ้มอยู่เช่นนั้นผมรู้นะคุณ น, นั่นแหละแกล้งดึงเอากำลังผมไปหมดคราวนี้เขาพูดอย่างธรรมดาที่สุดเช่นกันบ้า ตัวไม่สบายเองแล้วทำไมมาโทษฉันจะต้องให้ผมบอกด้วยหรือว่ามหาฤาษีโกนธัญญะท่านบอกกับผมหมดแล้วว่าคุณเอากำลังวางชาของผมไปถ่วงผมเพื่อจะให้อยู่ที่นี่ให้นานที่สุดนาคาเทวีเลิกขนงขึ้นนิดหนึ่งอมยิม้มนี่อย่ามาใส่ความกันนะฉันจะถ่วงคุณไว้เพื่ออะไรกันคุณเจ็บป่วยไม่สบายเองเพราะมัวแต่คิดถึงคู่รักต่างหาก นั่นมันเป็นส่วนประกอบเท่านั้นแต่ลึกลงไปกว่านั้นลูกสาวคนสวยแสนสนของพญา น, นาคดึงเอากำลังของผมไปทำให้ต้องนอนหมดท่าอยู่แบบนี้ผมมีภาระหน้าที่ที่จะต้องทำได้โปรดคืนกำลังให้แก่ผมเถิดถ้าผมมีแรงพอที่จะลุกขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้จะให้กราบที่แทบเท้าก็ได้อย่าแกล้งกันเลยผมไม่อยากจะเป็นภาระยุ่งยากของใคร แล้วจะต้องเดินทางต่อไปให้เร็วที่สุดตามหน้าที่ก็แปลดีเหมือนกันนะมาร้องทวงเอากำลังของตัวเองคืนจากฉันนางกล่าว บ, บนสวนเบาๆแต่เอาละ่ะเมื่อคิดว่าฉันเป็นผู้ที่เอากำลังของคุณไปและคุณอยากจะขอคืนมีอะไรมาเป็นค่าไถ่ข้อแลกเปลี่ยนมั่งละ่ะก็คุณจะเอาอะไรนางผู้มีศรีลักษแพกไปจากมนุษย์ ย่างบาดลงมาจากโขดหินที่ประทับยืนอยู่แล้วยืงช้าๆไปรอบๆกายของเขาที่ยังนอนกระดิกกระเดียไม่ได้อยู่ขอดวงปราณของแม่สาวงามที่มากับคณะของคุณสองคนนั่นให้ฉันสักคนได้ไหมรับหินอึ้งไปขณะหนึ่งแล้วตอบเฉียบขาดว่าไม่ได้คุณเจ้าชีวิตคนใดคนหนึ่งของหล่อนทั้งสองคนนั้นไม่ได้เลยผมไม่ยอมอย่างเด็ดขาดอ้าว ถ้างั้นเปลี่ยนมาเป็นพวกนายจ้างของคุณสักคนเอาพวกผู้ชายก็ได้ไม่ลดลงมาอีกคราวนี้ขอเพียงแค่ชีวิตพรานจำนวนสี่คนนั่นเอาแค่คนเดียวเท่านั้นจอมพรานสันศรีรษะไม่ตกลงคราวนี้เป็นข้อเสนอตามสุดแล้วนะขอลูกหาบคนเดียวเท่านั้นนาคเทวีไม่ว่าจะเป็นใครทั้งสิ้นที่มากับผมอยู่ในความรับผิดชอบของผม คุณเอาชีวิตเขาไปไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวถ้าจําเป็นจะต้องมีการเสียชีวิตตามเงื่อนไขข้อแรกเปลี่ยนเขาคุณแล้วก็เชิญคุณเอาชีวิตผมไปซิดีกว่าถ้าไม่ยอมคืนพระกำลังกลับมาให้ก็เชิญเอาดวงปราณของผมไปเสื้อรู้แล้วรู้รลอดที่ดานหน้ากรดานยิ้มด้วยสายตาเดินวนมาหยุดยืนนิ่งอยู่ทางด้านศีรษะซีขวาของเขาค่อยๆซุดตัวลงคุกเข่าใกล้ๆ ย่นจมูกโด่งงามเล็กๆนั้นให้นิดหนึ่งเหมือนจะลอ้อก็แค่ลองใจดูเท่านั้นรู้มานานแล้วล่ะยาวว่าคุณน่ะเป็นคนหัวดื้อยังไงบ้างไม่ใช่รู้เฉพาะชาติภพที่เกิดมาเป็นระพินไพรวันนี้เท่านั้นมองย้อนกลับไปในอดีตชาติของคุณไม่ว่ากี่ชาติกี่ภพคุณก็มีสันดานอย่างนี้แหละจะต้องกระทำตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่โดยการเสียสละตัวเองเสมอ มาคิดดูแล้วฉันเองก็ไม่มีสิทธิอะไรที่จะไปฝืนดุวชะตาของมนุษย์เพราะฉะนั้นเอาเถอะเอาเรียวแรงของคุณกลับคืนเพื่อ น, นำไปดใช้กรรมเก่าต่อไปกล่าจบสตรีผู้นั้นก็ก้มต่ำลงมาแตะริมฝีปากลงที่หน้าผากของเขาอย่างแผ่วเบาครั้งหนึ่งมันเป็นสัมผัสที่อ่อนโยนนุ่มนวลละมุนละไมที่สุดและในฉับพลันระพินผู้แขนขากระดิกกระเดีย้ยไม่ได้เลย กระดุดเป็นเหน็บชายอยู่ในขณะ น, นี้ก็อกขึ้นตวัดกอดเอาร่างงามนั้นตะแคงลงมาแนบกับอกนางทำตาโตร้องเร็วปรือทำอะไรนะ่ะระพินขอกอดเป็นการสักการะต่อลูกสาวคนสวยของพญานาสครั้งปล่อยนะบอกว่าให้ปล่อยประเดี๋ยวเธอจะทำไมไม่ดำเป็นตอตะโกไปเซ็ทเท่านั้นจะเอางั้นหรือ เอาอยัางไงก็ได้ตอนนี้มีแรงแล้วเป็นรายเป็นกันคนควรจะกอดมีกลับไม่กอดเมื่อกอดนาคีนี่จะบอกให้คุณไปก่อนแม่ผมทองอันเป็นมนุษย์เช่นกันคนนั้นดีกว่าอย่างน้อยที่สุดหล่อนก็เป็นมิตรดีสําหรับคุณอย่ามาจู่ลู่ลวนลามกับฉันอย่างนี้ปล่อยยังไม่ปล่อยจนกว่าคุณจะบอกผมว่าเครื่องบีห้าสิบสนั้นตกอยู่ที่ไหนและจะบ่ายหน้าไปทางด้านไหนจึงจะพบเร็วที่สุด ผิดสั์จานแล้วนายว่าขอฉันเพียงข้อเดียวยังไงล่ะจริงสินะอา้าวปล่อยก็ปล่อยระพินรักษาวาจาสัตว์เสมอเขาคลายวงแขนออกนางขยับกายออกห่างโครงเสียงช้าๆเกือบหลวมตัวเสียท่ามนุษย์เจ้าเล่ห์เสร็จแล้วไหมล่ะเอื้อมมือมาจับปลายจมูกเขาสั่นเบาๆกอดนะไม่กลัวกลัวจะไม่กอดจะให้เอาดวงปราณไปด้วยก็ไม่กลัว กรัวจะไม่ยอมไปซะมากกว่าขอให้รู้ไว้ด้วยนะคุณกับฉันเคยมีพบภูมิร่วมกันมาก่อนเช่นกันและก็มีกรรมต่อเนื่องผูกพันกันอยู่ด้วยเพียงแต่ในชาติภพนี้มันยังไม่ถึงรอบที่จะต้องมาคิดบัญชีกันเท่านั้นแต่ความผูกพันเดิมๆทำให้ฉันอดที่จะเป็นห่วงคุณไม่ได้ถึงได้มาเกี่ยวพันพบปากกับคุณในชาตินี้แม้จะเพียงเสี้ยวส่วนน้อยนิดก็ยังดี ต่อไปนี้ฉันจะไม่มาให้คุณเห็นอีกถ้าไม่จำเป็นจริงๆบางทีเราอาจเห็นกันเป็นครั้งสุดท้ายในชาตินี้ของคุณก็ได้ไปก่อนละประโยคหลังหลอนกล่าว ง, ง่ายๆพร้อมกับขยับตัวแต่รพินเรียกไว้เดียวนางผู้นั้นชะงักเยี่ยวกลายมามองอะไรอีกล่ะฉันไม่คุยกับคุณแล้วนะเพราะมันล้วนแล้วแต่คาถามในเรื่องที่ฉันไม่อยู่ในฐานนั้นที่จะบอกได้ทั้งนั้น ก็คุณเล่นพูดทิ้งไว้ให้มันเป็นปริศนาผมฟังแล้วมันสับสนไปหมดไม่มีคำอธิบายมากกว่านี้เมื่อคุณมีอายุสูงขึ้นพร้อมแล้วด้วยศีลและสัตว์ตาบะชานแก่กล้ากว่านี้คุณก็ลองนั่งตรวจสอบ ป, ปุมหลังของคุณดูเองเถอะแล้วจะรู้ได้เองได้สำหรับชาตินี้และชาติหน้าหัวใจของคุณเป็นของจิตกรางคนาชนิดผูกขาดซะแล้ว ส่วนชาติ ต, ต, ต่อไปจะเป็นของใครไม่ใช่ธุระที่ฉันจะบอกจิตรางคนาใครกันเรพินอุทานออกมาอย่างตกใจก็แม่สารยาแพทย์นักนวิทยาเชื้อพระวง์ในชาตินี้ยังไงละ่ะจะต้องให้ฉันเอ่ยนามด้วยหรือดารินหน้ากระเทวีอานิ้วแต่ที่ริมฝีปากเขาเหมือนจะปิดไว้อีกมือหนึ่งชีนะ้หน้าอย่าถามอะไรอีกนะ เกี่ยวกับคู่รักของคุณคนนี้จะไม่ได้รับคําตอบอย่างเด็ดขาดผู้หญิงผมทองคนนั้นล่ะเคยมีอะไรเกี่ยวพันกับผมแดดีตชาติไหมคราวนี้เขาถามโดยเร็วสรพรพสิ่งในห้วงจั ก, กรวาลอันหาที่สิ้นสุดไม่ได้นี้ถ้าไม่เคยมีอะไรปลูกพันเกี่ยวข้องกันมาก่อนก็จะไม่มาผ่านพบข้องแวะต่อกันหรอไม่ว่ามิตรศัตรูคู่รักคู่เสน่หา ส่วนจะลึกซึ้งมากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็สุดแต่กรรมเก่าที่ทําไว้ต่อกันบอกให้แค่นี้แหละมีปัญญาก็นึกไตร่ตรองเอาเองฉันบอกว่าจะไปตั้งหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้ไปเสทีคราวนี้ไปจริงๆแล้วอย่ามาเรียกอีกนะขออุ้ยพรให้โชคดีแล้วร่างอันงามเหนือกว่ามนุษย์ร่างนั้นก็สลายตัวกลายเป็นกลุ่มหมอกควันสีแดงม้วนติ้วเป็นเกลียวหมุน ดิ่งหายเหมือนจะแทรกแผดดินลงไปอย่างรวดเร็วระพินสงบนิ่งอยู่อีกอืดใจใหญ่แล้วสูดลมหายใจลึกบัดนี้จะเป็นด้วยอุปทานด้วยอะไรก็ตามทีความอ่อนเปรีย้ยโหยละเหี่ยของเขาหมดสิ้นไปราวกับปลิดทิ้งสบัดขาออกไปโดยแรงทีละข้างแล้วลืมตาโลงขึ้นสิ่งแรกที่ทำก็คือใช้มือข้างหนึ่งดึงเข็มน้ำกลือออกจากแขนทันที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 ก็วิ่งปลูกันมาที่เขาร้องถามแทบไปหมดจนฟังไม่ได้สักราพินยิ้มให้แก่คนของเขาเหล่านั้นยังไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นส่งเข็มไปให้บุญคำถือไว้ตนเองก้มลงคว้าไรเฟิลประจำตัวซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่อิซาเบลอันนั่งอยู่ในที่พักของฝ่ายนายจ้างหันมาเห็นร้องทั้งวิ่งสวนเข้ามาหลอนร้องว่าราพินอะไรกันนี่คุณลุกขึ้นมาทาไม แล้วทำไมถึงถอดเข็มน้ำเกลือออกผมเป็นปกติเรียบร้อยดีแล้วเบลเขาตอบด้วยสีหน้าราบเรียบยิ้มให้นิดหนึ่งขณะที่จับแขนหลอนไว้ดึงให้เดินไปได้วยกันยังกลุ่มของคริสเชิร์ดวูดและสแตนลีย์ซึ่งพากันมามองอ้าปากตะลึงคริสเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าไม่สบายหรือประโยคหลังเขาถามแต่เบลยังไม่ตอบเดินกึ่งวิ่งมาเคียงคู่เขา ตายังจ้องหน้าด้วยความประหลาดใจขีดสุดอยู่เช่นนั้นอีกสามชายลุกพรวดขึ้นเออเรียกนามเขาเป็นเสียงเดียวทุกท่านไม่ต้องกังวลครับเขาประกาศน้ำเสียงมีกังวานไม่ส่อแววว่าจะมีอาการเจ็บ่ายใดๆเหลืออยู่อีกตาก็มองสอดสายหาแล้วก็แลไปเห็นคริสติน่านอนงายขาข้างหนึ่งเหยียดราบกับพื้นอีกข้างหนึ่งชันขึ้น ซีสานหนุนเป้หลังมีหมวกครอบปิดใบหน้าอยู่ครึ่งหนึ่งลักษณะเหมือนคนหลับผมหายแล้วหายจริงๆและแข็งแรงดีเหมือนเดิมแล้วด้วยว่าแต่เพื่อนของเราคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างคุณแน่ใจหรือว่าคุณหายแข็งแรงดีแล้วสเตรลีร้องออกมาดังๆจ้องหน้าเปงระบินหัวเราะเบาๆและแทนคำตอบเขาโยนไรเฟิลขนาดหนักในมือขึ้นสูง และลักษณะให้มันหมุนตีลังกากลางอากาศพอหล่นต่ำลงมาก็รับไว้ด้วยอุ้งมืออันมั่นคงลักษณะ น, นี้มาสายทุกคนเห็นโดยอาการว่าเขาได้กลับคืนมาเป็นระพินไพรวันคนเดิมแล้วยังน่าอาัศจรรย์ใจที่สุดคีตและเชิร์ดวุดเข้ามาจับแขนเขาไว้แน่นแล้วลากตัวให้ลงนั่งก่อนโดยสั่งให้เบลตรวจสอบร่างกายจอมพรานไม่ขัดคืนเช่นไรเพราะเข้าใจความรู้สึกของคนเหล่านี้ดี ยอมให้เบลตรวจสอบ ก, การทำงานของหัวใจวัดความดันชีพจรและเมื่อหล่อนขอส่องไฟดูเปลือกตาก็บอกฟนหัวเราะหึหว่าดูให้ดีนะเบลเผื่อผีหรือวิญญาณร้ายอะไรมันดันเข้ามาสิงอยู่ในร่างของผมพวกคุณจะลำบากอ้าวตรวจไปให้พอใจทีเดียวว่าสุขภาพทางกายของผมในขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างมีอะไรน่าสงสัยอีกไหม อ s a b e l บน้าตื่นอ้าปากว้อภายหลังจากตรวจร่างกายของเขาเสร็จ impossible หลอนคลางออกมามีอาการเหมือนถูกผีหลอ possible I'm alright l now quite alright l รัพินสวนตอบทันทีด้วยเสียงชัดเจนมั่นคงของเขามันเกิดขึ้นได้ยังไงกันนี่เรารู้แต่เพียงว่าอาการของคุณเริ่มดีขึ้นเท่านั้น แต่นี่คุณกลับฟื้นตัวขึ้นมาราวกับปาฏิหาริย์ดรสเตอรลี่ร้องระรำลารักอย่างตื่นเต้นงงงันทุกสิ่งทุกอย่างในป่าดำนี่มันล้วนปาฏิหาริย์ได้ทั้งสิ้นไม่ว่าในทางดีหรือทางร้ายแล้วพินตอบแต่ความจริงมันก็มาจากที่ผมได้รับการรักษาพยาบาลเยียวยาอย่างดีจากพวกคุณนั่นแหละเมื่อยาดีการรักษาดีมันก็หายได้เร็วคิด กำลังฝ่ามือของคุณแข็งแรงดีไม่ใช่หรือมาส่งมาลองจับมือกับผมสิเขาพูดโดยเร็วพร้อมกับส่งมือไปให้หนายผมทรงลานบินคีตกระพริบตาปริบๆแล้วยื่นมือมาประสานกับเขาระพีนกำกระชับและออกแรงบีบในทันทีพยักหน้าบอกให้คีตบีบต่อนายนั่นค่อยๆทวีกําลังออกแรงบีบเขาหนักขึ้นทุกทีและระพีนก็ใช้กําลังฝ่ามือของเขาแรงตามขึ้นด้วย จนกระทั่งในที่สุดในคีดร้องโอกหน้าเยกเก g o d d a m n i t เรียวแรงของเขาอย่างกระยักกรลายแอดเขาแข็งแรงจริงๆไม่มีร่องรอยของคนเจ็บเหลืออยู่อีกเลยบีบมือฉันแทบกระดูกแตกเฮ้ยปล่อยระพินสะบัดมือหลุดออกไปได้คดครางอู้สะบดัดฝ่ามือตัวเองอยู่ยอยๆ อ, อย่าปล่อยใจไปเลยเพื่อน จ้อมพราประกาศกับทุกคนที่นั่งจ้องเขาอย่างงุนงงสุดขีดผมเป็นอย่างนี้เองแหละบทดจะเจ็บไายขึ้นมาก็พับไปง่ายๆบทดจะหายมันก็หายได้อย่างปัจจุบันทันด่วนเกินกว่าที่วิทยาศาสตร์ทางแพทย์จะหาสมมุติฐานได้เหมือนกันขอให้ทุกท่านเข้าใจและแน่ใจอีกครั้งเถอะว่าขณะนี้ผมหายเป็นปกติดีที่สุดแล้วไม่ต้องมีการรักษ า, าพยาบาลหรือพักฟื้นใดๆอีกทั้งสิน้น ถ้าออกเดินทางกันเดี๋ยวนี้รับรองว่าพวกคุณเดินตามผมไม่ทันอยู่ตามเคยนั่นแหละถ้าผมไม่หยุดรอคราวนี้ขอให้ทุกคนตอบคำถามผมบ้างตาเขาจับมองไปยังคริสติน่าผู้นอนสงบนิ่งหายใจอยู่รวยๆบุ้ยปากเธอเป็นอะไรไปก็มีไข้เล็กน้อยไม่มากนักหรอกอาจเป็นเพราะเหนื่อยมากแล้วไม่มีเวลาพักผ่อนเบลตอบอ้อมแอม ทำไมนอนนิ่งอยู่อย่างนั้นเสียงพวกคุณออกเอะอะโวยวายคริสติสน่าจะรู้สึกตัวขึ้นมาบ้างขอผมเข้าไปดูหน่อยได้ไหมทุกคนต่างให้ความสนใจอีกครั้งพากันหันไปทางคริสผู้นอนนิ่งอยู่เป็นตาเดียวระพินลุกขึ้นเดินไปดูที่แม่ผมทองทันทีพ่อถึงก็ทรุดตัวลงนั่งจับปีกบัวของหล่อนที่บางรูปหน้าขึ้นไม่มีอาการใดๆจะสอยเห็นว่าคริสติน่าจะรู้สึกตัวเลย แม้จะมีใครต่อใครมาล้อมอยู่ใกล้ชิดตัวขณะนี้ใบหน้าของหล่อนขาวซี่ลมหายใจมีแต่แผ่วอ่อนเหลือเกินเชิดวุ้เขย่าไหลเบาๆร้องทั้งเรียกหล่อนก็ยังไม่รู้สึกตัวระพินจ้องเขม่งรอให้เชิดวุธกับคนอื่นๆช่วยกันเรียกอยู่อีกพักใหญ่เหมือนคนถูกวางยาสลบคริสตินา่านอนนิง่งไม่ติงกายแม้แต่น้อยระพินมองหน้าทุกคนซึ่งบัดนี้เริ่มมีอาการงง ประหลาดใจอีกครั้งคนสุดท้ายเขามองไปทางเบลซึ่งก็กําลังจ้องเพื่อนสาวด้วยตาอันเบิกกว้างคริสทําไมนอนนิ่งอย่างนี้แล้วก็จะถลาปรากเข้ามาแต่ร็อบินเอามือกันไว้ก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งทําอะไรทั้งนั้นตอบคาถามของผมก่อนคริสมานอนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ทั้งหมดรวมทั้งหมอเบลมองหน้ากันเองเลิกลักความเอจใจเริ่มบิกเกิดขึ้นในทันที ก็ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านั่นแหละหลังจากที่พวกเราตื่นกันขึ้นมาเขาก็พละออกมาจากการเฝ้าดูแลคุณเราคุยกันอีกห้าถึงหกนาทีคริสขอซุปหนึ่งถ้วยจากเนื้อกวางที่พวกครานพื้นเมืองของคุณเคี่ยวแล้วบ่นว่าปวดหัวเพรียและง่วงฉันก็เลยบอกให้เขานอนพักเบลเป็นคนตอบคริสนอนอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาหรือมีการตื่นขึ้นย้ายที่นอนบ้างไหม เขาก็นอนอยู่ตรงนี้มาตลอดนั่นแหละไม่ได้ลุกขึ้นมาอีกเลยในท่า น, นี้ใช่ไหมขาข้างหนึ่งเหยียดตรงอีกข้างหนึ่งชันขึ้นเดิมไม่มีการกระดิกกระเดียอีกเลยฝ่ายอเมริกันทั้งหมดและเชิร์ตวุฒมองหน้ากันอีกครั้งพวกเราไม่ทันจะสังเกตหรอกครับว่าคริสมีการขยับขยื้อนตัวอย่างไรบ้างหรือไม่แต่เขานอนตรงนี้ไม่ได้ย้ายที่เลยพวกเราก็ไม่ได้เข้าไปรบกวนอะไรเชิร์ Wood ตวุฒตอบแทนให้แก่ทุกคน พอทราบเวลาขนาดนี้นี่เวลาเท่าไหร่แล้วบ่ายสองโมงกับ20นาทีนายคิดยกนาฬิกาข้อมูลขึ้นดูแล้วเป็นคนบอกต่ำๆ7ชั่วโมงกว่าแล้วที่คริสนอนอยู่ตรงนี้และในท่า น, นี้พวกคุณไม่รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติขึ้นเลยหรือเขาถามขึ้นเลยลอยยังจ้องหน้าแม่ผมทองนิ่งอยู่ใช่ั้นเบลขยับจะคว้าข้อมือของเพื่อนสาว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 เขาคว้าฝ่ามือเหมือนคนตายของคริสติน่างายขึ้นให้ทุกคนดูซึ่งมันขาวราวกับกระดาษและชืดเกิดอะไรขึ้นนี่ทุกคนตะโกนก้องขึ้นเกือบเป็นเสียงเดียวตกใจประหลาดใจซะยิ่งกว่าตอนที่เห็นเขาลุกขึ้นมาเดินตัวปลิวสิอีกคริสจะเป็นเจ้าหญิงนิทราเช่นนี้ไปประมาณสองถึงสวันที่บาดจ็บจะค่อยๆ อ, อ่อนลงไปเรื่อยๆและในที่สุดก็จะหยุดสนิท ขอบคุณพระเจ้าที่ท่านให้ผมฟื้นขึ้นมาซักก่อนจะสายเกินแก้เอาละต่อไปนี้ขอให้เป็นภาราหน้าที่ของฝ่ายพวกผมบ้างเก็บหูฟังหรือเครื่องมือแพทย์ทุสิลิของคุณได้แล้ว Bell. เบลเรามันมีประโยชน์อะไรรอสำหรับคริสในขณะนี้คุณรู้หรือว่าคริสเป็นอะไรเบลร้องถามระร่ำระลักรับพินเม้มริฟฟานนิดหนึ่งแล้วยิ้มครึมขรึมมองหน้าทุกคนตอบว่า คิดว่าพอจะรู้นะสําหรับพวกคุณไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนอกจากจะคอยดูและช่วยเฉพาะเท่าที่ผมสั่งเท่านั้นกล่าวจบพระพินหันไปตะโกนเรียกบุญคําด้วยเสียงดังตาพรานเท่าสมุนขวาซึ่งกำลังทำอะไรอยู่กับเสาแขวนถุงน้ำเกลือของเขาหันขวับมาจอมพรานก็กวักมือเรียกบุญคาวิ่งเข้ามาหาในทันทีพอมาถึงก็ถามว่า ทำไมหรือนายมีอะไรเดยยังไม่พูดอะไรสักคำระพินชี้คนของเขาดูที่สีหน้าของแม่หมทองซึ่งริมตาหลับสนิทบุญคําลงนั่งยองๆชะโงกเข้ามาจ้องคิ้วของแกขมวดรานใหญ่จับมือด้านซ้ายของคริสซึ่งเลิกเสื้อแขนยาวขึ้นไปพับไว้แค่ข้อศอกแล้วชี้ลงไปให้ดูที่ตำแหน่งท้องแขนอันเป็นรอยเขียวจ้ำและเห็นได้ถนัด มีรอยทะลุผิวเข้าไปเหมือนเขี้ยวสองเขี้ยวที่หนีบเข้าหากันพอมองเห็นชัดบุญคำก็อุทานลั่นออกมาว่าโฮ้ยไอ้หกขามาเล่นงานแหม่มคริสก้อยแล้วเหมือนตอนที่ไอ้แง่ายเจอเข้ากราวนั้นไม่มีผิดรูของมันจะต้องอยู่ใกล้ๆโพรงหินแถวนี้แหละนายนี่โดนเข้าไปตั้งแต่เมื่อไหอไรน่นี่จอ ม, มักคุเทศผู้กลับฟื้นคืน คงมาอยู่ในปกติสภาพเหมือนเดิมออกคําสั่งครืมๆว่ารูของมันจะอยู่ตรงไหนแมมคริสตจะโดนกัดเมื่อไหร่ยังไม่ต้องไปนค้นหาหรอกสิ่งที่บุญคําจะทําเดี๋ยวนี้ก็คือไปเอายาแก้พิษของสัตวป่าที่มันให้ทั้งตัวยาและทั้งอาคมไว้กับบุญคาํามาทันทีเดี๋ยวนี้แล้วก็ไม่ต้องโวยวายอะไรให้พวกเราคนอื่นๆตกใจก่อนจะหยิบยานั่นขึ้นมา อย่าลืมกราบระลึกถึงครูผู้ให้วิชาซะก่อนละ่ะถึงแม้ว่าบุญคาจะเคยเรียกมันว่าไอส่างฟ้าขี้ลิงก็ตามตอนนี้ต้องกราบระลึกถึงวิชาที่มันให้ไว้แล้วบุญคํากระโดดตัวลอยแล้วห่อจีไปยังสัมภาระส่วนตัวของตนโดยเร็วแล้วพินหมอไปทางหมอเบลและทุกคนที่นั่งตะลึงกันอยู่อย่างไม่รู้เรื่องบอกเรียบๆว่าเบล ขอมีดผ่าตัดคมๆที่สะอาดของคุณสักเล่มเถอะไม่ต้องกลัวว่าจะมีบาดแผลอะไรมากผมเพียงแต่จะกรีดรอยเขี้ยวให้เป็นแผลกว้างออกไปเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อสำหรับตัวยาที่จะใช้ได้สะดวกขึ้นประเดี๋ยวคุณจะเห็นเองว่าเลือดที่ไหลซึมออกมาเป็นสีราวกับหมึกดำทีเดียวพระเจ้าบอกเราก่อนเถอะว่าคริสโดนอะไรกัดงูหรือสเตลี่สำลักออกมาเรพินสันสีสัจ ไม่ใช่งูหรอกครับงูในละแวกนี้จะไม่ทำอันตรายพวกเราคนใดอย่างเด็ดขาดและถ้าเป็นงูก่อนที่คริสจะสลบไปแบบนี้เธอจะต้องร้องดิ้นด้วยความเจ็บปวดและตกใจชนิดที่พวกคุณทุกคนจะต้องมองเห็นชัดทีเดียวแม้จะเป็นงูที่พิษแรงสักขนาดไหนแต่นี่เธอหลับไปเฉยๆหลับอย่างสบายด้วยเพียงแต่อ่าจไม่ตื่นอีกแล้วเท่านั้นแล้วมันคืออะไร ฝ่านายจ้างกระฮือกระหอบถามขึ้นพร้อมกันระหว่างที่ทุกคนจ้องมาที่เขาเขมงระพินจับขาข้างที่ตั้งชันเข่าขึ้นของคริสให้เหยียดราบไปตามสบายแล้วสะกิดเชิดวูดผู้เข้ามาสุดคุกเข่าอยู่ใกล้เขาที่สุดให้ประคองศีรษะของหลอนที่พาดอยู่กับเป้ลหลังนั้นขึ้นตนเองใช้ผ้าเช็ดตัวผืนหนึ่งที่พาดอยู่กับแง่หินใกล้ๆนํามาพบเป็นสี่ทบ แล้วสอดเข้าไปใต้ศีรษะเพื่อให้หล่อนนอรลนะักษณะเหยียดยาวราบเรียบที่สุดหันกลับไปทางด้านบุญคำเห็นแกยังรือคนอะไรวุ่นวายอยู่ที่ย่างในกองสัมภาระของฝ่ายพวกพรานพื้นเมืองไม่ห่างออกไปนักมีมแมลงอยู่ชนิดหนึ่งลักษณะคล้ายๆแมลงมุมในเขตป่าดำที่เคยพบมาแล้วเขาบอกขึ้นกับทุกคนด้วยเสียงต่าลึกตัวไม่ใหญ่แต่ก็ไม่เล็กนะ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 และปล่อยพิษเข้าไปจะไม่รู้สึกตัวเลยพิษของมันจะแทรกซึมไปตามระบบเส้นเลือดทาให้เกิดอาการหลับอย่างเดียวกับคนที่ถูกยาสลบฉี่เข้าเส้นเลือดและถ้าช่วยเหลือไม่ทันผู้ถูกกัดจะค่อยๆตายไปเองอย่างสงบคือหลับแล้วก็ตายไปเลยทุกคนฟังเขาอย่างเงียบกริบเบิกตากว้างจอมพลานขยีปลายคางด้วยหลังมือตายังจับอยู่ที่ใบหน้าอันหลับตาสนิท ข, ของแม่ผมทอง กล่าวเบาๆต่อมาว่าผมเข้าใจว่าคริสคงจะถูกมันย่องมากัดดูดเลือดและปล่อยพิษเข้าไปในขณนะที่มาพักนอนหลับอยู่ตรงนี้อาจจะตอนเช้าขณะที่เพิ่งหลับไปหรืออาจสัก2ถึงสามชั่วโมงที่ผ่านมาระหว่างที่หลับติดต่อกันมาตลอดก็ได้คุณหมายถึง Black w ว d o w หรือคิดอุทานลั่นออกมาแล้วพินโคลงสีสาช้า ผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่เคยเห็น l a ล k w ว d โ w หรือแมลงมุมมีพิษที่เรียกกันว่าไม้ดำแต่เข้าใจว่าจะเป็นคนละชนิดกันใช่มากกว่าราการกัดที่ไม่ทำให้ผู้ถูกกัดรู้สึกตัวเลยนั้นเป็นลักษณะพิเศษของไอ้ตัวหกขาชนิดนี้โดยเฉพาะไม่มีการเจ็บปวดหรือทุรนทุรายอะไรทั้งสิ้นไม่ทันจะสิ้นประโยชน์ของเขาบุญคาก็ห่อนแนบกลับมาพร้อมกับห่อผ้าเก่าๆดำปูปี้ พ่อถึงก็รีบปลิ้นเอาสิ่งที่บรรจุอยู่ข้างในออกมาในทันทีปากก็ละล่ำละลักถามว่าแมมคริสยังหายใจอยู่หรือเปล่านายเอาเถอะมันยังไม่สายรอกบุญคำอย่าตาลีตาแหกนักเลยเบลขอมีดผมประโยคหลังเขาหันไปทางหมอเบลผู้ถือมีดผ่าตัดคมกริบค้างอยู่ในมือหล่อนส่งให้ด้วยมืออันสั่นเทาถามว่าุณแน่ใจหรือดรพิน คุณไม่คิดบ้างหรือว่าเรามีเซรุ่มมาด้วยทําไมถึงไม่มีเซรุ่มชนิดใดจะช่วยคริสได้หรอกนอกจากยาแก้พิษจากฝ่ายผมเท่านั้นถ้าไม่อยากเพื่อนของคุณตายจงอย่าขัดขวางเราพูดอะไรอีกทั้งสิน้นค่อยดูอย่างเดียวเขาพูดครึดครืดและจับแขนข้างนั้นของคริสขึ้นมาใช้ปลายมีดอันแหลมคมกริบกดลงไปยังรอยเขี้ยวสองเขี้ยว อันปรากฏอยู่บนผิวของคริสระยะของเขี้ยวมันไม่ห่างกันเท่าใดนะักแล้วกรีดเบาๆอย่างรวดเร็วเป็นรูปกากระบาด่อยกันผิวและเนื้อของหล่อนในบริเวณนั้นเป็นทางตามคมมีดแนวสั้นๆนั้นทันทีนายจ้างทุกคนคลางออกมาพร้อมกันแทบพงังหนเพราะเลือดที่ไหลซึมออกมาจากบาดแผลที่จอมพรานกรีดปรากฏสีดาคล้าจริงตามที่เขาบอกทุกอย่างระพินเคนคัดเลือกนั้น ให้ไหลรินออกมาเรื่อยๆในขณะที่บุญคำก็จัดการเอาแท่งยาสีดำจุ่มลงไปในถ้วยพลาสติกบรรจุน้ำที่แกถือมาด้วยพอให้แท่งยาดูดอมน้ำไว้ชื้นๆเอาละจัดการเร็วบุญคำเขาเออกคำสั่งวางแขนของคริสให้งายราบลงกับพื้นบุญคำก็โดดเข้ามาจกบแท่งยาพนมขึ้นเหนือหัวทำปากบุบมีภาวนาอยู่กึง่งอึดใจ แล้วค่อยๆบรรจงแตะปลายของแท่งอันมีลักษณะเป็นหน้าตัดตรงเรียบจะหลดเข้าไปยังบาดแผลนั้นทันทีพร้อมทั้งร่ายคาถาไปด้วยความอัศจรรย์ชนิดที่ทำให้นายจ้างอเมริกันทุกคนและเชิดวุฒตะลึงก็พลันปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อต่างมองเห็นบุญคำค่อยๆปล่อยมือออกและแท่งยาเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหนึ่งนิ้วครึง่งยาวประมาณ4ี่นิ้ว ลักษณะเหมือนท่อนทานดูติดกับผิวเนื้อของคริสตรงบริเวณที่ราินใช้มีดกรีเป็นบาดแผลทันทีมันติดตั้งเดยอยู่ในลักษณะประหลาดสุดราวกับร่างกายของคริสจะเป็นแม่เหล็กและท่อนยา น, นั้นจะเป็นท่อนเหล็กฉะนั้นอิสเบลร้อง my goodness สเตลลี่ผู้เงือกูดซึมเต็มหน้าผากก็เบิกตาสีฟ้าจ้องอยู่แทบไม่กระพริบ ครสะบัดหน้าไล่ความมึนงงส่วนเชิดวูดร้องออกมาเบาๆ ว, ว่าพี่มันดูติดเดรอย่างนั้นเลยหรือถ้ามันไม่ดูติดแบบนี้ก็แสดงว่าในกระแสเลือดของคริสไม่มีพิษร้ายอะไรเจือปนอยู่เลยแต่นี้ทุกคนก็เห็นชัดแล้วแท่งยา ก, กําลังทําหน้าที่ดูดพิษร้ายออกอย่าว่าแต่จะวางแขนราบอย่างนี้เลยต่อให้ยกแขนคริสคว่ำลง มันก็จะเกาะติดอยู่แบบนี้แหละไม่มีทางหลุดนอกจากเราจะกระชากแรงๆออกเท่านั้นเขาบอกด้วยน้ำเสียงเรียบปกติแล้วถอนใจเฮือกเอามือทั้งสองขึ้นเสยเส้นผมพึมพำว่าโล่งอกไปทีผมขอทุกคนสบายใจได้แล้วอีกไม่เกินหนึ่งหรือสองชั่วโมงถัดจากนี้คริสจะสบายดีเหมือนเดิมเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยและรับรองว่าจะไม่มีอาการแทรกซ้อนอย่างอื่นทั้งสิ้น เธออาจฟื้นขึ้นมาโดยแทบไม่รู้สึกตัวเสียด้วยซ้ำว่าโดนอะไรกัดเอาเราพีรพวกเรางงกันไปหมดคุณเองนอนเจ็บขนาดต้องให้น้ำเกลืออยู่แล้วจู่ๆก็ผุดลุกขึ้นมามีสภาพแข็งแรงยังกลับไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วก็ตรงเข้ามาที่คริสเรากลับจะรู้มาก่อนว่าคริสกำลังอยู่ในอันตรายจัดการช่วยเหลือทันแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรกันนี่ หัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นแหบพร่าผมเคยบ่นหลายครั้งแล้วว่าผมมีประสาทส่วนที่หมีสังหารเตือนให้ทราบในเหตุการณ์แม้มันจะไม่เกิดขึ้นบ่อยนักก็ตามส่วนการที่ผมสามารถลุกขึ้นมาได้แข็งแรงดีเหมือนเดิมก็เพราะว่าผมหายป่วยแล้วนั่นเองไม่ต้องไปหาบทพิสูจนคิดค้นอะไรกันให้เสียเวลา จอมมาร์คุเทตตอบได้น้วเสียงราบเรียบตามเดิมของเขาหยิบชายผ้าของม้าที่เคียนเอลอยู่ขึ้นมาเช็ดหน้าและพยายามมองสำรวจไปรอบๆ บ, บริเวณตำแหน่งที่คริสนอนอยู่เหมือนจะหาที่มาของไอ้ตัวมฤตยูพื้นที่ตำแหน่งนั้นไม่ปรากฏว่าจะมีช่องรูที่เจาะลงไปในดินอันแสดงถึงว่าเป็นรังที่อยู่ของมันเลยแต่ก็มีซอกโครงหินอยู่มากมายรอบด้าน มันอาจอาศัยอยู่ในซอกใต้หินแถบนั้นก็ได้ค้ดชี้มือไปที่ตัวยาอันติดอยู่กับแผลของแม่ผมทองถามว่ามันจะดูดติดอยู่อย่างนี้นะหรือระพินมันจะดูดเอาพิษซึมเข้าไปอยู่ในแท่งยาจนกระทั่งอิ่มตัวแล้วก็จะหลุดร่วงเองจากนั้นเราจะเอาแท่งยาประกอบด้วยสมุนไพรนั้นไปแช่ในน้ำสะอาดให้มันคลายพิษลงไปในน้าสักครู่ แล้วก็เอาขึ้นมาแตะติดกับบาดแผลใหม่ทำซ้าๆกันแบบนี้จนกระทั่งตัวยาไม่ดูดติดแผลอีกแล้วก็แปลว่าพิษจะถูกดูดออกหมดสิ้นแล้วผมกะว่าไม่เกิน3ถึงสี่รอบก็จะเรียบร้อยระยะเวลาระหว่างนี้เราจะไม่ต้องช่วยเหลือเยียวยาในด้านใดทั้งสิน้นรอยให้เป็นหน้าที่ของแท่งยาท่อนนั้นดูดพิษออกอย่างเดียวเท่านั้นขอให้ทุกคนเชื่อผมแล้วจะดีเอง เบลเอื้อมือมาแตะไหล่เขาเน้นเสียงว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อชีวิตรคริสนะในกรณีที่ไม่ยอมไม่ใช้ฉันใช้เซรัม่มเขาก้มศีรษะลงพึขอรับผิดชอบเต็มที่และขอถามหน่อยสมมุติว่าคุณใช้เซรัม่มคุณจะใช้เซรั่มชนิดไหนในเมื่อคุณไม่เคยรู้จักพิษของแมลงชนิดนี้มาก่อนมันไม่ใช่พิษงูเห่างูจงอางหรืองูมีพิษอื่นๆ อ, อันคุณอาจเตรียมมาด้วย คราวนี้เบลคอแข็งรพินยิ้มให้นิดหนึ่งอย่างปลอบใจเขาเข้าใจความรู้สึกของนายเจ้าทุกคนได้ดีกล่าวต่อมาว่าวางใจผมเถอะในเรื่องพิษจากงูหรือแมลงทุกชนิดในป่าถ้าเป็นอาการเจ็บป่วยที่คุณหาสมมุติฐานของมันได้แล้วก็ผมจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณในฐานะแพทย์แต่ในเรื่องภัยมืดซึ่งพวกคุณก็ไม่รู้ที่มาก่อนแบบนี้ ขอให้ฝ่ายผมจัดการจะปลอดภัยกว่าเบลมองหน้าเพื่อนสาวผู้มีอาการสลบนิ่งอีกครั้งแล้วส่งมือไปให้เขาจับฝืนยิ้มให้โอเคฉันและพวกเราทุกคนจะเชื่อคุณซูเปอร์แมนผมไม่ใช่ซูเปอร์แมนเพราะถ้าซูเปอร์แมนก็คงไม่นอนแอ้งแมงให้คุณและพวกคุณต้องวุ่นวายช่วยกันรักษาพยาบาลตั้งแต่เย็นวานตลอดมาจนกระทั่งกว่าครึ่งวันของวันนี้รอ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 ไม่เจ็บไม่ปวดไม่อักเสบใด้ทั้งสิ้นขอถามอีกครั้งเบลกล่าวขณะที่จ้องตาเขาคุณแน่ใจแล้วหรือว่าตัวคุณเองเดี๋ยวนี้เรียบร้อยดีที่สุดแล้วน้ำเกลือถุงหลังหมดไปเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นคุณควรจะรับน้ำเกลือต่อไปจนกว่าจะหมดถุงไม่จำเป็นแล้วคุณเองก็ตรวจผมแล้วไม่ใช่หรือตะกี้นี้ผมจะมานอนมานยาใส่น้าเกลือเสียเวลาอยู่อีกไม่ได้ เมื่อรู้สึกว่าคอยังชั่วหรือสางอาการขึ้นมาแล้วก็ต้องลุกขึ้นทันทีแล้วลองคิดดูถ้าผมยังสำ อ, อยนอนดูน้ำเกลือหยดทีละติ้งอยู่อีกกว่าจะหมดก็คงเย็นค่ำป่านนี้คริสจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วทุกคนนิ่งกันไปหมดขณะที่รัพินพูดเขาลุกขึ้นบิดกายอย่างเมื่อยโขบจนกระดูกลั่นแล้วบอกกับบุญคาให้สังเกตตัวแท่งยาโดยมอบหน้าที่ดูแลคริสให้กับตาพรานเท่า ผู้ถ่ายทอดรับวิชามาจากสังปาไว้อย่างเต็มที่ตนเองมองสำรวจบริเวณปางพักทั้งหมดที่ตั้งกันอยู่ขณะนั้นเกิดเสรยและจันดูเหมือนจะพอรู้เรื่องคริสถูกไอหกขากัดและกำลังอยู่ในระหว่างใช้ยาของสังปาดูดพิษอยู่จึงค่อยๆท ย, ยอยกันเข้ามาดูเงียบๆด้วยอาการประหลาดใจมากกว่าจะตกใจอะไรนะักเพราะแต่ละคนก็รู้ประสิทธิภาพของตัวยาวิเศษของสังปาดีอยู่แล้ว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 โดไม่นึกว่าเขาจะฟื้นตัวได้เร็วเกินคาดหมายเช่นนี้แต่ทุกคนก็ยอมรับสารภาพว่าภายหลังเมื่อคริสขอตัวงีบหลับไปแล้วไม่มีใครรู้สึกผิดสังเกตเข้าไปตรวจดูใกล้ชิดอีกเลยเพรามองไม่เห็นว่าคริสจะตกอยู่ในข่ายอันตรายเช่นใดเนื่องจากอยู่ในแคมป์พักยืนสายตาตลอดเวลาต่างคอยพะวงเพ่งความสนใจไปที่เขาเสมากกว่าประมาณแค่20นาทีเท่านั้น แท่งยาที่ดูติดแผลคริสก็ซึ่งมีรอยกรีดไว้ของระพินมันก็หลุดล่วงลงมาบุญคํารีบนําแท่งยานั้นลงไปแช่ในน้ําทันทีทุกคนของฝ่ายนายจ้างเข้าไปรุมดูอีกครั้งด้วยความทึ่งสนใจยิ่งสักพักใหญ่บุญคําก็นําเอาแท่งยานั้นมาแตะกับแผลอีกครั้งซึ่งมันก็ดูติดอีกเช่นเคยจันเป็นคนเอาน้ำไปเททิ้งและเปลี่ยนน้าสะอาดใหม่ใส่ถ้วยพลาสติก เตรียมรอไว้ให้แช่เมื่อแท่งยาหลุดออกใหม่ครั้งโดยจะถ่ายน้ําทุกครั้งไปเห็นจะหมดห่วงได้แล้วกระมังจอมพรานบอกกับทุกคนจุดบุหรี่สูบเป็นตัวแรกแล้วยืนขึ้นอีกครั้งจะเฝ้าดูไปเรื่อยๆก็ได้ในระหว่างพวกคุณแล้วจะเห็นว่าตัวยาของฝ่ายผมศักดิ์สิทธิ์จริงเหมือนเช่นที่บอกไว้หรือไม่สําหรับผมขอตัวสักครู่จะทิ้งให้บุญคํากับจันท์คอยทําหน้าที่ดูแลจนกว่าจะเรียบร้อยดีที่สุด กล่าวจบเขาก็ลาดเดินตรงไปที่พวกลูกหาบทั้งหลายสอบถามผู้จะอะไรกับคนเหล่านั้นพักใหญ่โดยมีเกิดกับเสรามติดไปด้วยทิ้งให้ฝ่ายนายจ้างทั้งหมดและเชิดวุธเฝ้าคอยดูอาการของคริสติน่าอันมีบุญคำเป็นหมอและจัน์เป็นผู้ช่วยเมื่อคืนมีการอยู่เวียนยามกันหรือเปล่าระพินกระซิบถามคนของเขาอันเป็นพรานเด็กหนุ่มทั้งสองลาดกันอยู่กันตลอดคืนเลยนาย เกิดเสยน้าจา์แล้วก็ลุงคำคนละสามชั่วโมงมีพวกลูกหาบอีกเวลละหนึ่งคนพวกเราไม่ประมาทหรอกยิ่งนายไม่สบายหนักอยู่ด้วยเมื่อคืนก็ยิ่งต้องระวังมากขึ้นไปอีกเกิดเป็นคนตอบมีอะไรไม่ชอบมาพากลมั่งไหมโดยเฉพาะวิแววของไอ้ผีดิบพวกนั้นไม่มีเลยนายมันไม่ได้โผล่มาให้เห็นหรือมีอะไรกระโตกกระดากสักนิดก็แปลกอยู่ที่มันไม่ป้วนเปี้ยนเข้ามาบริเวณนี้เลย ตอนเช้าพวกเราออกตรวจดูรอบๆบริเวณปางพักก็ไม่เห็นพวกมันเฉียดใกล้เข้ามาแม้แต่ตัวเดียวมีแต่งูเห่าเท่านั้นเมื่อเช้าก็ขึ้นไปนอนขดชูคออยู่บนหน้าอกนะจันทร์ลุงคําจะเอาปืนเด็ดหัวมันแล้วแต่นึกถึงคําของนายได้ที่ไม่ให้ทําอะไรพวกมันก็เลยยืนดูอยู่เฉยๆนะจันาจางี้นอนตัวแข็งเลยไม่กล้ากระดิกแต่สักกระเดี๋ยวเดีย ว, ยวมันก็เลื้อยลงไปจากอกแกเฉยๆหายไปในซอกหิน ใส่ให้รายงานศาสต์สีเท้าอื่นๆทั้งสองพรานเด็กหนุ่มสั่นหัวไม่มีแม้แต่รอยเขาพยักหน้าไม่กล่าวว่าอะไรตรงเข้าไปรือคนที่ย่ามหลังของตนเองทั้งสองพรานเด็กหนุ่มเดินตามเข้าไปด้วยแมมคริสถูกไอหกขานั่นกัดเราน่าจะหารูรังของมันลากตัวขึ้นมากระทืบให้แหลกเสรยเอ่ยมาอีกเดีย๋ยวไปสนใจกับมันเลย มันคงจะอาศัยอยู่ตามซอกโพรงหินแถวๆที่แม่มคริสนอนพักนั่นแหละเราช่วยแม่ไมไว้ได้แบบนี้แล้วก็อย่าไปคิดจองเวรอะไรอีกคืนนี้ควรให้พวกนั้นขยับย้ายที่พักออกให้ห่างมูหินบริเวณ น, นั้นออกมาอีกหน่อยถึงมันไม่ใช่งูมันก็เป็นบริวารปลายแถวของพยา น, นาคนั่นแหละคงจะมาหยอกเล่นลองวิชาพวกเราเสมากกว่าคิดที่จะเอาใครให้ถึงตายเพราะอย่างน้อยฉันก็ลุกขึ้นมาทันและไปพบข้าพอดี นายสบายดีแล้วหรืทั้งสองถามขึ้นพร้อมกันฉันไม่เป็นไรแล้วเหมือนคนพ้นเคราะห์ไปชั่วขณะถ้าไม่ติดแมมคริสอยากจะออกเดินทางครึ่งหลังของวันนี้เสลยแต่นี่ก็ต้องเปิดโอกาสให้แมมคริสพักบ้างระหว่างพวกเราใครเป็นคนอยู่ยามตอนใกล้หัวรุ่งเกิด1ในจำนวนสองบอกกับเขาฉันว่าฉันหลับไปตลอดทั้งคืนนะแต่ได้ยินแมมผมแดงพูดกับนายห้างบ๊อบว่า ตอนใกล้รุ่งฉันอารวาสหรือเกิดมองดูหน้าเขาแล้วยิ้มไม่สนิทนะักนายดินทุรนทุรายใหญ่เพ้อเรียกหานายหญิงไม่ขาดปากเกิดแล่นเข้าไปดูเหมือนการตอนนั้นเห็นแมมคริสกอดนายไว้แน่นแล้วพูดอะไรกับนายก็ไม่รู้เกิดฟังไม่ออกพูดอยู่ริมหูนายนั่นแหละพักใหญ่ทีเดียวนายถึงค่อยสงบไปได้แมมคริสดีกับนายมากนะไม่ยอมนอนตั้งแต่นายเริ่มอารวาส เอาหัวนายนอนผ้าตักไว้คอยรูปหน้าให้นายตลอดเวลาไอ้ไอพวกนายฝรั่งทุกคนกับนายฐานเชอร์พุตตอนนั้นหลับกันไปหมดแมมคริสให้เกิดกับอูทาสองคนสูมไฟไว้รอบๆตัวนายเพราะนายนอนหนาวสั่นเป็นลูกนกแล้วเกิดก็หัวเราะหึหงๆชะโงกหน้ามากระซิบกับเขาแมมมอนั่นก็ดีอยู่รอกแต่ตอนหัวค่ำเท่านั้นที่ดูแลนายอยู่ พอตกดึกแอบไปเล่นจำจี้เมื่อเืนปะหลังหินก้อนใหญ่ตรงที่พักนอนกับนห้างคิดลุงคำแกย่องไปแอบดูบอกว่าก้อนหินแทบพังเสร็จแล้วจูงมือกันมานอนหลับเป็นตายเลยนายฐานเชิดวุดกับนายห้างบ๊อบก็หลับปุ๋ยเหมือนเดิดนยาระพินฟังลูกน้องเขาสาทยายเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมายังไม่เอาใจใส่นะโดยเฉพาะเรื่องไม่เป็นเรื่องที่เกิดเล่าตอนท้าย มันเรื่องของเขาจะไปสน่อใจอะไรเลยแล้วก็ควรจะหาโอกาสบอกตาคำด้วยว่าอย่าไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องส่วนตัวพวกเจ้านายทั้งหลายเขานัก้าลึ่งไม่เข้าเรื่องตลอดการไม่ช้าก็เร็วคงถูกไอเจ้าคิดนั่นกระทืบเอาอีกหรือไม่แมมเบลก็เอาลูกปืนเจาะลูกในตาข้าที่เป็นนักแอบดูเก่งนะักแก่แล้วมาอยู่ตามประสาแก่ปล่าจบเขาก็คว้าได้อาดทาบริการสําหรับการอาบน้ําชำระกาย ขอบขึ้นมาถือไว้คว้าไรเฟิลยืนขึ้นบอกพวกนั้นต่อไปว่าถ้าพวกนั้นถามบอกว่าทัานจะลงไปแถวริมบึงหน่อยประเดี๋ยวจะขึ้นมาบอกพวกเขาด้วยว่าไม่ต้องห่วงและนายสองคนก็ทํางานเตรียมหุงหาอยู่บนนี้แหละคืนนี้จะยังไงเสียเราก็เห็นจะต้องพักอยู่ที่นี่อีกคืนแน่ๆระหว่างที่เขาก้าวออกเดินฉับๆเลาะลัดแง่โคลนหินไปเสียงเสรยร้องถามมาด้วยความเป็นห่วงว่า นายไม่เป็นไรแน่นะประเดี๋ยวไปล้มเป็นลมอยู่แถวแถวแอ่งน้ำอีกถ้ายังไงให้ไอเกิดไปเป็นเพื่อนสักคนก็ยังดีจอมพรานโบกมือรับรองไม่เป็นไรหรอกและเชื่อ ว, ว่าคงไม่เป็นอย่างเมื่อวานนี้อีกแล้วพรานใหญ่ลับหายไปจากสายตาของพวกลูกหาบและพรานพื้นเมืองเด็กดุมทั้งสองของเขาอย่างรวดเร็ว จุดหมายที่บ่ายหน้าลงไปก็คือบริเวณแอ่งน้ำในป่าเฟิร์นตําแหน่งเดิมที่มาล้มพับอยู่นั่นเองก่อนอื่นตรงไปยังโขดหินที่ได้คล้องมาลายดอกไม้ป่าอันตนเองทำเป็นวงปุดไพรสวมไว้ยังยอดหินก้อนนั้นเห็นมันยังประดับอยู่ที่เดิมในลักษณะที่สดชื่นเหมือนเดิมโดยไม่มีริ้วรอยว่าจะเหี่ยวเฉาไปเลยยืนสงบนิ่งพินิษ ด, ดูมัน เหมือนจะเพ่งหินก้อนนั้นให้กลายเป็นใบหน้าของดารินวราริทให้ได้แล้วก็มองเห็นเป็นภาพใบหน้าของแม่ดอกฟ้ายอดรักของเขาลอยเด่นซ้อนภาพของหินที่คล้องมาลหยพ่วงนั้นไว้ให้จริงๆหรืออย่างน้อยก็จริงในสายตาเฉพาะตัวมงกุฎไพรสวมอยูย่บนศรีรษะของหล่อนดวงตาทั้งคู่แลประสานมาด้วยหยาดน้าตาที่คลอซึมยิ่งเพ่งก็ยิ่งชัดเจนขึ้นทุกขณะ แต่พอเอื้อมมือไปแตะมันก็กลายเป็นก้อนหินไปตามเดิมสงบนิ่งยืนจ้องต่อไปก็ค่อยๆกลายเป็นดวงหน้าของดารินขึ้นอีกสลับกันอยู่เช่นนั้นจิตตรางคนางเขาทดลองเรียกนามนั้นขึ้นแผ่วเบาอาคเนรุตเสียงแผ่วแว่วมาระพินมืนงงไม่เคยได้ยินนามนี้มาก่อนเลยและทุกครั้งที่เอ่ยกระซิบเรียกนามจิตตรางคนา ภาพนั้นก็จะตอบสำนวนออกมาว่าอัคนิรุธทุกครั้งไปนี่เขาจะบ้าไปแล้วหรือผีป่าหรือพูดพลายอะไรเข้ามาหยอกเล่นกระมังแต่ก็อยากจะลองดูให้มันถึงที่สุดเหมือนกันอัคนิรุธใครกันก็ท่านนั่นแหละเป็นเสียงตอบสวนกลับมาอีกทันควันในจิตประสาทส่วนลึกมันตรคราวนี้เขาเอ่ยนามขึ้นใหม่ ภาพของใบหน้านั้นสายชา้ายาเอยนามของพ่อมดกาลีตนนั้นมันคือศัตรูของเราและท่านร่วมกันระพินไม่อาจเข้าใจอะไรได้ทั้งสิ้นหรือจะรู้ก็รู้ประการเดียวว่าขณะนี้เขากำลังตกอยู่ในแดนสนธยาแห่งดวงจิตของตนเองผมไม่ใช่อัคคณิรุธแต่ผมคือระพินไพรวันถ้าเช่นนั้นฉันก็คือดารินวราริศฉันไม่ใช่จิตตรางคนางคุณหญิง คุณหญิงอยู่ที่ไหนนี่อยู่กลางดวงใจของคุณนะสิงานเสร็จผมจะรีบกลับไปหาดวงใจของผมรอผมด้วยนะงานเสร็จหรือไม่เสร็จฉันก็จะติดตามคุณไปจนกว่าจะพบรอฉันด้วยนะระพินไพรวันสะบัดหน้าแรงๆยกมือขยี้ตาและจ้องมองดูก้อนหินลักษณะเหมือนศีรษะสตรีที่มีมงกุฎไพรของเขาสวมประดับอยู่อีกครั้งมันกลายเป็นหินไปตามเดิมเสแล้ว สำเหนียกว่ามีเสียงหัวเราะทุ้มลึกดังมาจากเบื้องหลังเป็นเอามากนี้ผู้กองเราเขาหันกลับไม่มีอะไรสักอย่างภูมิประเทศรอบด้านเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามมีตนเองยือนอยู่ตามลำพังโดดเดี่ยวขอให้ฉันเห็นเงาแกสักนิดเถอะแงซายสำหรับเดี๋ยวนี้ เขาพึมพำออกมาเหมือนจะพูดกับใครสักคนหนึ่งที่เล่นซ่อนหาอยู่ใกล้ๆตัวพูดบา้บาๆกลางวันแสกๆ แ, แดดเปรียปร้ยงๆอย่างนี้จะให้ผมโผล่ออกมาได้ยังไงเป็นคำตอบที่มาจากเบื้องหลังย้ายทิศ ท, ทางอีกพรานใหญ่ยืนซึมนิ่งต่อมาก็มีเสียงทุ้มกัางวานเตือนมาอีกว่าอย่ามัวแต่เสียเวลารำพึงรำพันฝันรักอยู่เลยจะทาอะไรก็ทาเข้าเถอะผู้กอง ภารานหน้าที่ยังมีอยู่อีกมากมายนะสาวนอกจากบาดานเขาให้แรงให้ฤทธ์กลับคืนมาเหมือนเดิมแล้วเป็นโอกาสอันดีที่สุดหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วก็ไม่เลวอยู่หรอกจีบลูกสาวพญา น, นาคจนได้ประโยชน์แต่อีตอนไปแตะอัง ก, กอดเขาฟรีนี่ไม่ค่อยจะเข้าท่าอยู่นะดีเท่าไหร่บ้างแล้วที่แม่เจ้าประคุณเธอไม่เอาลงบาดานไปซะด้วยอ๋อดิแกเห็นหมดทุกอย่าง ถ้าไม่เห็นไม่ทันผู้กองไปหมดทุกฝีก้าวก็ไม่ใช่แงซายนะสิจริงไหมแงซ า, า, ายครับผมฉันไม่เข้าใจคำว่าอัคนิรุธก็อย่างที่แม่สาวน้อยจากบาดาลผู้นั้นบอกไว้นั่นแหละสักวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าสร้างสมาธิตนเองให้ยิ่งใหญ่กว่านี้จนเกิดฌานสมาบัติชั้นสูงแล้วข้อสงสัยหรือคำถามทั้งหลายก็จ ะ, ะเฉลยได้ด้วยตัวเองไม่ต้องให้ใครบอกหรอ อาบน้ำอาบท่าล้างเนื้อล้างตัวให้ชุ่มชื่นสบายกายสบายใจเสียจะได้เตรียมแก้ปัญหาต่อไปเมื่อกี้นี้ฉันมองเห็นนายหญิงที่หินก้อนนี้เหลวไหลละเมอเพ้อพกไปเองสร้างมโนภาพขึ้นมาเองตามระษาคนคลั่งรักและกำลังจะเฉาตายเพราะรักแล้วเสียงแก้ที่ฉันได้ยินอยู่นี่ละ่ะก็ทานองเดียวกันนั่นแหละ อนุสติที่ฝังลึกอยู่ภายในจิตใต้สำนึกของตัวเองยังไงล่ะนี่แปลว่าฉันกําลังบ้าไปแล้วจริงๆหรือนี่ก็แค่เฉียดเฉียดเท่านั้นแล้วจะแก้ให้หายได้ยังไงก็เลิกคิดถึงผมเลิกคิดถึงนายหญิงเสียสิมันก็จะหายไปเองแหละสาบานว่าฉันได้ยินเสียงของแกอยู่เต็มสองรูหูอยู่นี่คิดถึงผมก็จะเห็นภาพหรือได้ยินเสียงผม คิดถึงนายหญิงก็จะได้ยินเสียงและเห็นภาพของนายหญิงเดินทางมาในครั้งนี้ผู้กอมีวิตกจริตและนิวรณ์มากใช้สติปัญญาเข้าไตรตรองและกระจัดเชิเถิดยามใดที่รู้สึกตัวว่าสติจะไม่อยู่กับร่องกับรอยตั้งพุโทโธนุสติเข้าไว้กําลังกลายกลับคืนมาแล้วกําลังใจก็ควรจะเข้มแข็งเหมือนเดิมมาคราวนี้ไม่เหมือนระฟินคนเดิมเลยรู้ไว้ซสียด้วยจริงของแก ขับใจมากที่เตือนให้รู้ตัวเขารำพึงกับตนเองรวบรวมกําลังใจให้แน่วแน่มั่นคงอีกครั้งแล้วผ่าออกจากหินที่สวมคล้องมาไล่อันทําเป็นรูปมงกุฎไพรไว้นั้นเดินตรงไปที่แอ่งน้ําทันทีจัดการผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ําชำระร่างกายอีกครั้งในสมองขจัดสิ่งอื่นออกไปหมดสิน้นเริ่มกําหนดวางแผนการเดินทางต่อไปอย่างเงียบๆขณะที่ใช้ผ้าขอมาซับเช็ดตัวอยู่นั่นเอง เสียงวิทยุมือถือประจำตัวที่ติดมาด้วยก็มีสัญญาณดังเรียกขึ้นทีๆเสียงเรียกของมันก็ปกติธรรมดา น, นั่นแหละแต่บางสิ่งบางอย่างมันทำให้เขารู้สึกว่าน่าจะมีอะไรเร่งด่วนผิดสังเกตไปก้มลงคว้าขึ้นเปิดสวิตซ์โอเคได้ยินเสียงแล้วครับเขากรอกคำพูดลงไปเบาๆแล้วพีนขึ้นมาที่นี่ดนเถอะเป็นเสียงสั้นๆของหัวหน้าคณะซึ่งแฝงเอาความกระวนกระวายใจไว้เต็มเปี่ยม กำลังจะขึ้นไปเดี๋ยวนี้ครับแต่ให้ผมทราบทางวิทยุก่อนได้ไหมว่ามีอะไรที่เร่งด่วนหรือไม่เพียงไรอาการของคริสไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นอย่างที่คุณบอกไว้แท่งยาดูดติดและร่วงไปสามรอบแล้วจับเวลาอยู่หนึ่งชั่วโมงเสร็จเข้าไปแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยตัวเย็นชื่อเชฟชีพจรเต้นช้าลงไปทุกขณะเสียงบอกมาอย่างเร่งด่วนเขาอุทานลั่นออกมาอย่างลืมตัวแล้วต่อไปเร็วปรือว่า ขอผมพูดกับบุญคำหน่อยครับเพียงแค่ขาดคำก็มีเสียงของตาพรานเท่าดังลั่นมาเป็นภาษากรียงกันเพื่อไม่ให้จะนายพวกนายจ้างฟังออกว่านายผิดฝาผิดตัวหรือผิดสูตรอะไรเสียแล้วตามปกติแท่งยาดูดพิษหลุดไปสามครั้งแบบนี้แมมคริสจะต้องรู้สึกตัวแล้วแต่นี่แกยังสลบอยู่ตัวค่อยๆเย็นลงไปเรื่อยๆหน้าก็ยังขาวเป็นกระดาษอยู่งั้นมันผิดไปจากที่เราหวังไว้ ตอนนี้ยายัายางดูดติดแผลอยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่ดูดแล้วก็ยังดูดติดเดนแนนอยู่อย่างเดิมนั่นแหละแต่มันผิดไปจากที่เราเคยเห็นเคยใช้รัพินถือวิทยุตะลึงไปชั่วขณะพูดอะไรไม่ออกทุกคนโปรดทราบผมจะขึ้นไปเดี๋ยวนี้จอมพรานเปลี่ยนลิ้นมาเป็นภาษาอเมริกันทันทีเพื่อให้ทุกคนข้างบนฟังเข้าใจแล้วตาลีตาเหลือกสวมเสื้อผ้าโดยเร็วที่สุดวิ่งกลับขึ้นไปตามทางที่ลาดขึ้นสู่แคมป์พักทันใด จิตใจแทบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเสียงคำพูดของอิสซาเบลกล้องอยู่ในหูตลอดเวลาคุณจะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของคริสคุณจะต้องรับผิดชอบขณะเดียวกันก็เหมือนมีเสียงแง่ทายมากระซิบอยู่ข้างหูว่าใครครวญตรีตรองให้ดีอย่าตื่นเต้นเกินไปนะตั้งพุทโธนุสติแล้วก็ใช้ปัญญาเรียกความทรงจาเดิมๆ เ, เ, เกี่ยวกับไอ้หกขาชนิดนั้น ผู้กองเคยช่วยชีวิตผมมาแล้วเท่าๆกับที่ผมก็เคยช่วยชีวิตผู้กองจากมแมลงร้ายชนิดเดียวกันแต่ที่แน่ๆก็คือพลาดแม้แต่นิดเดียวคริสติน่าจะไม่ฟื้นอีกแล้ว